ตอนสอบคำถามธรรมะวันที่ส0สิบสิงหาคมสองพันห้า้อยห้าสิบเจ็ดก็ขอากาบนมัสการพระคุณเจ้าสามาเมนรคุณไม่ชีการละยมิตรทุกคนนะนั่งสบายสบายเนาะก็เป็นปกติทุกคืนวันเสาร์เมื่อกี้พระครูเข้ามาถึงก็ญาติธรรม ที่มาจากอเมริกาอาทิตย์ที่แล้วเขามาจากอเมริกาแล้วเขาตําหนิเราเยอะเลยแต่อาทิตย์นี้เสาท์นี้เขาบอกว่าช่วยบอกทุกคนหน่อยนะว่าเขาอิมเพรสคนที่นี่มากว่าเรื่องอะไรเขาบอกเขาตากผ้าไว้เนี่ยฝนตกมีคนไปเก็บให้เขาเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขานะถ้าบอกคนที่นู้นไม่ใช่อย่างนี้ถ้าคนอยู่เมืองนอกนี้เนี่ยเขาไม่ยุ่งกัน แม้กระทั่งคนแก่ล้มลงไปเนี่ยก่อนที่เราจะไปยุ่งเขาแล้วต้องขออนุญาตเขาก่อนว่าเราช่วยเขาได้ไหมถ้าเขาบอกโ no นอย่าไปใกล้นะ mm hmm. เขาเขาเป็นคนอย่างนั้นคือเขาต้องการพึ่งตนเองเขา เ, เขาไม่ต้องการให้ใครมายุ่งกับเขานอกจากว่าเขาไม่ไหวจริงๆเขาก็บอกว่าช่วยฉันหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเขาไม่บอกช่วยเนี่ย อย่าไปยุ่งเขาเดี๋ยวเป็นเรื่องแม้กระทั่งเจ็บผ้าให้เขาเนี่ยนะ พระครูเข้ามาถึงเมื่อกี้ทุกคืนวันเสาร์ก็เป็นปกตินั่งสบายๆเนาะบนน่ะดีการยมิตรทุกมเนนคุณไม่ชีคุณเจ้าสาอขอกาบนมาสการพวกอตอนตอบคำถามธรรมสิเจ็ดคมสองพันห้าร้อยห้าที่สามสิบสิงหาตอบคำถามธรรมะวันตอน เก็บผ้าให้เขาเนี่ยนะเดี๋ยวเป็นเรื่องแม้กระทั่งอย่าไปยุ่งเขาช่วยเนี่ยไป ห, หนึ่งแต่ถ้าเขาไม่บอกเขาก็บอกว่าช่วยฉันหน่อยเขาไม่ไหวจริงๆการให้ไม่ยุ่งกับเขานอกจากว่า เ, เขาไม่ต้องตัวเองเขาเอะไงั้นคือเขาต้องการพึ่งเขาเขาเป็นคนไกลนะแล้วก็ได้เต็มเตมนะอันนี้ก็คือเหมือนเอาแรงงานเราเนี่ยเป็นการให้ทาน ก็อยู่ในการวัตถุทานแล้วก็เป็นการให้ธรรมทานด้วยคือทำเป็น เ, เป็นเป็นตัวอย่างแต่อยู่ที่เจตนานะ อ, า อ, ยอย่าไป ม, มองที่กิรลยาภายนอกต้องมองเข้าไปถึงเจตนาของจิตแต่ถ้าว่าบุญเยอะที่สุดนะที่ได้เยอะๆะต้องเขามีเยอะๆด้วยนะไม่ใช่เยอะเฉยๆนะแสดงว่าโลภมากอยากได้บุญเยอะๆสะสมบุญเนี่ยเป็นกิเลส สะสมบุญกิเลสทำบุญตามบุญไม่ใช่บุญบุญคือเบาบาปคือหนักถ้าทำบุญแล้วหนักอกหนักใจน่ะเป็นบาปบาปทางใจทำบุญไปร้อยหนึ่งนะสาธุให้ถูกตะวันที่หนึ่งอันนี้ค้ากาไรเกินควรไม่ใช่บุญแล้วก็ทำไปตั้งนานแล้วไม่ประกาศชื่อสักทีหนึ่งนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่บุญเป็นกิริยาในการทำบุญ แต่จิตไม่เป็นกุศลไม่เป็นกุศลลบุญนะทีนี้มันก็มีการทำบุญทำทานบุญเกิดจากการให้ทานการให้ทานคือจาคะคือสลัดออกนะเริ่มจากวัตถุทานนะเราทำบุญด้วยการถวายวัตถุนะทำบุญตักบาดนะเราต้องดูแลพระภิกษุไม่ชีสามเณร เ, เขาเป็นนักบวช เขาไม่ได้ไปทำมาหากินเหมือนเราเราเป็นคู่ครองเดือนเราต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพเราต้องเอาเวลาว่างเนี่ยไปทำวัตถุทานนะเพื่อช่วยกันจันหลงศาสนาแต่ถ้าทำแล้วเราเข้าใจมันนะเราจะได้บุญเต็มที่แต่ถ้าเราทำเพื่อจะโช์เฉยๆให้คนอื่นเขารู้ว่าเราเป็นคนใจบุญแล้วเราทำบุญปุ๊บในลึกๆก็ขอโ น, น่นะนะใส่บาทไปปุ๊บลงทุนวันนี้ร้อยหนึ่ง ขอให้ถูกระวันที่หนึ่งไม่ได้บุญเลยเป็นบาปทางใจไปสนองตัญหาเพิ่มความโลภนะอันนั้นเขาเรียกว่าสะสมบุญนี่เป็นกิเลสนะบุญคือเบาคือเราเวียงความโลภความตปนหีเราออกไปนะจาคะคือสลัดออกทุกวันแล้วบางคนไม่มีเวลาไปหาเงินไม่ต้องผ่านเงินเราแรงงานนี่เป็นทรบุญนะ เมื่อกี้จะบอกว่ากวาดใบไม้ทำความสะอาดสถานที่เข้าครัวทำอาหารเนี่ยอันนั้นเป็นแค่ขบวนการของมันอยู่ที่เจตนาของเราถ้าทำเพื่อให้เขาแซ่้องสรรเสริญแล้วเนี่ยไม่ได้บุญเป็นบาปทางใจเพราะเราสนองกิเลสเราเราเข้าห้องน้ำโอ้มันเปื้อนมากเลยไม่โทษใครเลยทูทูๆูทููไม่มีใครเห็นเลยอันนั้นได้เต็ม้อยต้องไม่บ่นนะ อันนั้นได้วัตถุทานคือใช้แรงงานเราทำบุญแล้วก็เป็นการให้ธรรมทานด้วยคนเขาเข้ามาเขาก็ว่าอื้มห้องน้ำสะอาดนะเขาก็มีความสุขความรู้สึกมีความสุขไม่ขยาข ย, ายงแล้วเราปลดทุกข์ให้เขาเห็นไหมทำบุญไม่ต้องให้ใครเห็นนะหดือยเขาจะมองไม่มองช่างเขานะใครไม่รู้ก็ช่างเขาจิตเรารู้นะอันนี้วัตถุทานนะ ที่พ่อครูเคยบรรยายแล้วแต่เนื่องจากว่าคำถามนี้ก็คงคงควรเป็นมาใหม่นะทีนี้ก็มีวัตถุทานธรรมทานอภัยทานอภัยทานได้เยอะที่สุดในในเรื่องการทำธร ท, ทานเนี่ยนะ อ, อ, อภัยทานได้เยอะที่สุดการทให้ธรรมทานเนี่ยมันออกไปในวงกว้างพ่อครูพูดทีหนึ่งได้เป็นร้อยเป็นพันถ้าเราถ่ายทอดไปทั่วโลกได้เป็นล้านล้าน คืออา น, นิสง์มันเกิดในวงกว้างแต่ผู้ให้เนี่ยเราก็ได้อนิสงเพราะเราไม่เหนียวความรู้เราไม่ต้องมีเลขศิษฐ์เราก็ได้บุญได้ให้ธรรมทานแต่ยังน้อยกว่าเราให้อภัยทานครั้งเดียวนะอา น, นี้ได้นิสง์เป็นคนเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะแต่อา น, นิสง์ผู้ให้เนี่ยน้อยกว่าให้อภัยทานแค่ครั้งเดียว ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราไม่ให้อภัยทานเนี่ยเราก็แบกตัวโกรธตัวพยาบาทอันนี้ตายไม่จบนะข้ามภบข้ามชาติเห็นไหเกิดมาชาตินี้เจอในกอถูกชะตาเจอในขอหมันไส้ถามมาทำไมมันก็มาอาฆาตกันอีกแต่ถ้าเราให้อภัยทานเราก็ยกภูเขาออกจากอกเราอันนี้ผู้ให้ได้อา น, นิสงส์มากกว่าวัตถุทานกับธรรมทาน นะแล้วก็ทั้งสามทานเนี่ยสมมติวัตถุทานเธอก็ให้ฉันก็ให้นะตีค่าราคาเงินเท่ากันสมมติวัตถุทานนะแต่เจตนาไม่เหมือนกันนะก็ได้อา น, นิสงส์ไม่เท่ากันไม่ไม่เกี่ยวกับตัวเลขนะเกี่ยวที่ความรู้สึกเราเวลานั้นที่เขาบอกว่าทั้งสามทานเนี่ยจบอยู่ที่สุญญาตาทาน ทานซึ่งบริสุทธิ์ไม่มีผู้รับไม่มีผู้ให้ไม่ได้เลือกคนให้ให้คนนี้ฉันดีใจค่ อ, คอยให้ให้คนนี้ไม่ดีใจฉันก็ไม่ให้อันนั้นได้ในสงน้อยแต่สุญญาตาทานเนี่ยสักว่าให้เหมือนศูนย์นี่ศูนย์คำว่าศูนย์เนี่ยคือซีโรไม่มีหนึ่งสองสามมันว่างนะศูนย์ให้ทานทุกวัน เด็กนักเรียนเจ็ดแปดรอคนย่าที่ทำใครมาก็ไม่รู้นะ เ, เรามีหน้าที่ให้ก่อนเราไม่ต้องไปถามว่าค่าลงทะเบียนแค่นั้นนี่ค่าอยู่ที่พักอะไรไม่มีเราไม่ง้อที่จะทาอย่างนั้นเราไม่ได้ค้าขายถ้าเราซื้อขายปุ๊บเนี่ยไม่ได้บุญเลยนะเราให้เราไม่เลือกว่าเด็กคนนี้ลูกใครชื่อว่าอะไรไม่รู้ให้หมด นี่คือสุญญาตาทานเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะสุญญาตาทานรวมหมดทั้งวัตถุทานธรรมทานและพยทานแต่ตอนนี้เหมือนให้ปิฎญาทานแต่เขาจ้างไปพูดนะพูดเพื่อหาเสียงให้เขาศรัทธาเราเราจะได้ประโยชน์อันนั้นก็ไม่ใช่ธรรมทานซึ่งเหมือนเป็นการให้ธรรมทานแต่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นบุญกิริยาแต่จิตไม่เป็นกุศลเลยเพราะมันทําด้วยมีอามิ t h อา m i t ์ไม่เกี่ยวกับเงินอย่างเดียวนะนะพูดขึ้นไปให้เขายกย อ, อปอตั้นเราแท้สองสรรเสริญนั่นก็เป็นอา m i ต h นะสุญญาตาทานก็คือว่าไม่มีเจตนาอะไรไม่มีความหวังอะไรสักแต่ว่าให้นะอันนี้ก็สรุปว่าสุญญาตาทานได้อา น, นิสงส์งมากที่สุดในการเรื่องเรื่องถามเรื่องพ่อครูเรื่องบุญนะเรื่องบุญก็ทําบุญเกิดจากการให้ทาน ส่วนอั น, นิสง์ของนันกเกอแบบบารมีของจิตถ้าเรื่องเรื่องบารมีแล้วเนี่ยต้องสมถะวิปัสนาเนาะโอเคอยากให้พ่อครูอธิบายเรื่องของสภาวธรรมบางคนเข้าใจว่าการปฏิบัติแล้วก้าวหน้าคือต้องมียานรู้เห็นจิตผู้อื่นเห็นวาลกรรมผู้อื่น หรือระลึกอดีตชาติได้คือความก้าวหน้านะครับก้าวไปไหนจะไปสวรรค์หรือจะไปไหนถ้าเรายังอยากก้าวหน้าอยู่เรายังมีอามิรอยู่เนาะไปนี้ผ่านด้วยความอยากไม่ได้นะนะไม่มีก้าวหน้าไม่มีถอยหลังไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายถ้าเรามีอยากปุ๊บมันมีแล้วเนาะ เอาเป็นว่าเห็นก็ยังเบี่ยงทิ้งเลยไม่ต้องอยากเห็นหรอกเห็นคนอื่นแล้วว่าเห็นนู่นเห็นนี่ก็อยากเห็นเหมือนเขาเห็นแล้วก็ต้องเสียเวลาเบี่ยงทิ้งอีกแต่ถ้ามันจําเป็นต้องเห็นเราก็สักแต่ว่าเห็นนะสักแต่ว่ารู้ไม่ไม่ไม่ได้วัดกันว่าความก้าวหน้าไม่อยู่ที่ว่าฉันรู้ว่าล้จิตคนอื่นแล้วเป็นหลงฉันเป็นผู้วิเศษนะเหมือนเต่ากับกระต่ายนั่นแหละกระต่ายวิ่งเร็วกว่านะใช่ไหม แต่พอไปติดเรื่องฉันเป็นมีฤทธิ์เมื่อไหร่นะฉันเป็นผู้วิเศษเมื่อไหร่นะเมื่อจะไปทาอะไรไม่รู้เต่ามันก็เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเดี๋ยวมันแสงหน้านะไม่ต้องเปรียบเทียบกันไม่มีก้าวหน้าถอยหลังอยู่ที่ว่าปฏิบัติเพราะปฏิบัติอาบน้ำเพราะอาบน้ำไม่ใช่เปืออป่อนถึงอาบไม่ใช่ร้อนถึงอาบอาบเพราะอาบเห็นก็เหวี่ยงทิ้ง นะรู้วาแะจิตเขาก็เหวียงทิ้งไม่ใช่ไปแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารมันเป็นแค่โลกิยาอภิญญาแต่ไม่ใช่เรื่องผิดนะมันเป็นบาลมีเก่าที่เราฝึกมาหลายชาติแล้วเนี่ยบางทีม่ต้องผ่านพวกนั้นอภิญญาเหล่านี้มันก็เป็นกําลังอย่างหนึ่งกําลังอย่างไรรู้ไหมเหมือนเราถูกประเมินเลยว่าเธอเธอตาทิพย์เธอรู้วาแะจิตเขาเลยถ้าเราเผลอปุ๊บเรามีความอยากปุ๊บเราก็ไปติดมันเห็นไหม แต่ถ้าเราวิเศษแค่ไหนฉันก็ไม่เอาอินทรีย์พะละเราก็ก้าวหน้าขึ้นอีกเราก็มีกําลังไงมันก็มีประโยชน์นะไม่ใช่มีประโยชน์เขาก็มีคือมาตรวัดจิตปัจจุบันว่าจะเอาไหมพิเศษมากเลยนะแต่ถ้าเรามุ่งมั่นมินิพาน เ, นเป็นเป้าแล้วเราไม่เอาคําว่าเวยงทิ้งนี่เราไม่ใช่รังเกียจอารมณ์นั้นไม่ใช่รังเกียจสิ่งนั้นเวี่ยงความยึดมั่นถือมั่นที่เราจะเป็นหลงมันทิ้งนะ ถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่เคยระลึกอดีตชาติได้เลยถือว่ายังเข้าจิตไม่ได้หรือคะเราต้องรู้ก่อนว่าเข้าจิตไปทําไมจิตเห็นจิตคือมรรคผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธที่ที่ว่าเราเข้าไปในจิตจิตมันทํางานแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องระลึกชาติเสมอไปนะ จิตที่ระลึกชาติได้มันเป็นอภิน ญ, ญาอย่างหนึ่งเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณมันเป็นอินทรพละที่จิตเดิมเราฝึกมาแล้วมันมีประโยชน์แต่ถ้าเราไปหลงติดมันเมื่อไหร่เนี่ยเป็นโทษมหันนะเอาเป็นว่าไปเห็นก็มีประโยชน์ไปเห็นเพื่อเหวี่ยงทิ้งเพื่อเรียนรู้กับมันไม่เห็นก็มีประโยชน์ไม่ต้องเสียเวลาเหวี่ยงมันทิ้ง แต่สำคัญเราฝึกบ่อยๆนี่เราได้เจริญมหาสติปัฏฐานคือสะสมแต้มไปเรื่อยๆนะการปฏิบัติช่วงเช็คกิ้งทั้งรอบเช้าและรอบดึกถ้าแรงสั่นสะเทือนแรงมากเท่าไหร่ยิ่งสามารถทำให้จิตเข้าถึงความเป็นอิสระได้มากเท่านั้นถูกต้องหรือไม่อันนี้ไม่ใช่สูตรตายตัวว่าแรงแล้วจะอิสระนะถ้าเบา แล้วจิตไม่ไปยึดติดอะไรเลยความคิดก็ควบคุมเราไม่ได้ก็อิสระได้เหมือนกันเอาเป็นว่าไม่ใช่ตั้งใจจะให้มันแรงถ้ามันแรงก็คือแรงถ้ามันเบาก็คือเบาไม่มีการกระทําเกิดขึ้นหรือการสั่งการแต่เราต้องตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวซื่อสอดกับสิ่งที่เราทำนะแรงสันจเทือนเหมือนมันดึงให้เราอยู่อยู่ศูนย์กลางเรามีพลังนะไอ้ความคิดบางคน สั่นแรงแต่ความคิดมันก็แรงเหมือนกันมันก็ไม่อิสระไม่ได้เหมือนกันเนาะไม่ใช่สู่ตายตัวนะเอาเป็นว่าเรามันเป็นเทคนิคอุบายวิธีที่ทำให้จิตเรามีที่เกาะแรงสั่นสะเทือนนั้นเนี่ยเหมือนหรือเหมือนเราตำข้าวสมัยโบราณเห็นไหมเราใช้คกตำขาตำเนี่ยทีนี้เราไม่มีเครื่องฝัดข้าวเราก็เอามาใส่กระด้งเราก็สั่นมันก็จะแยกกันเลยนะมันจะแยกแยกพลังสั่นสะเทือนน่ะ มันจะแยกนะแล้วก็พลังเต้นหรือว่าพลังเวี่ยงอะไรเนี่ยมันจะแยกนะมันจะแลกเอากากมันออกไปนะอันนี้เหมือนกันบางทีแล้วเอ๊ะสัญจรเทียนมันมีมันมีมันมีประโยชน์อะไรเราจะคลายความตึงเครียดเพราะร่างกายเราเนี่ยตึงเครียดตลอดเราทําอะไรเนี่ยเราเรากำหนดเราควบคุมนะถ้าร่างกายไม่ผ่อนคลายเนี่ยมันจะดึงจิตไว้จิตจะไม่อิสระ นะอันนี้ต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าแรงดีหรือไม่ดีบางทีจิตเขาต้องแรงก็ให้เขาแรงเราก็จิตปัจจุบันก็มีสติรู้เท่าทันสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าจิตเขาจะเบาก็มีประโยชน์เราก็เบาอย่างมีสติเหมือนกันไม่ต้องตั้งใจว่าอยากแรงเสมอไปนะถ้าอย่างนั้นมีความอยากปุ๊บเดี๋ยวก็เดี่ยม การปฏิบัติธรรมจำเป็นหรือไม่ว่าต้องทำทานสวดมนต์หรือภาวนาทั้งสามอย่างอย่างไหนสำคัญกว่ากันสำคัญหมดนะคือทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกคนทานศีลภาวนาเป็นหน้าที่ส่วนสวดมนต์นั้นนะเป็นเทคนิคอุบายวิธีเหมือนฝึกจิต เบื้องต้นเป็นการทำสมถะกรรมฐานอย่างหนึ่งคือจิตจดจ่อกับการสวดแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเขาใช้อุบายนะสวดสูตรนั้นสูตรนี้จะได้บุญจะได้ขึ้นสวรรค์อะไรเนี่ยมันเป็นอุบายคําว่าอุบายก็คือว่าหลอกให้เราทำนั่นแหละเราจะได้สงบนะแต่ถ้าไปนั่งสวดสวดแล้วเข้าใจว่าการสวดนั้นเป็นการเจริญภาวนาแล้วก็ขอนอนขอนี่อันนี้นั่งอยู่เฉยๆดีกว่าไม่ขาดทุน ถ้าสวดแล้วไปขอปุ๊บในขาดทุนเนาะคือทานศีลภาวนาเนี่ยนะออหรือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไอ้ตัวทานเนี่ยมันแฝงอยู่ในตัวศีลถ้าไต่สิกขาเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยศีลในมรรคมีองค์แปดนะวาจาชอบอาชีพชอบการกระทําชอบการกระทําชอบนั่นแหละคือการให้ทาน การกระทำชอบไม่ใช่สินห้านะสินห้านี่คือไม่ทําชั่วยังไม่มีการกระทําเกิดขึ้นอันนี้ก็ละเว้นฉันไม่ฆ่าสัตว์ฉันไม่พูดปลดมดเท็ศฉันไม่ดื่มเครื่องดองของเมาฉันไม่โกหกฉันไม่ผิดศีลในการมสูงสุดเราเป็นแค่คนไม่ทําชั่วเท่านั้นเองยังไม่มีการกระทําให้มันเกิดบะลมีเลยนะสินในการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่นิพพานมีสามข้อ คือวาจาชอบอาชีพชอบการกระทำชอบการกระทำชอบคืออะไรการกระทำชอบคือการให้ทานนั่นแหละทานก็คือวัตถุทานธรรมทานอภัยท า, านทีนี้ก็แยกออกมาเป็นทานศีลภาวนาก็คือว่าที่ชี้ให้ดูว่ายุคนี้มันความโลภมันเยอะนะเราต้องแก้โดยการให้ทานเพื่อลดละเลอะความความโลภความต่นี่นะเป็นอุบายวิธีทานศีลภาวนาไม่มีสติ ศีลสมาธิปัญญาก็ ม, มีสติถ้าถามพวกคูว่าระหว่างสติกับการให้ทานตัวไหนสำคัญกว่ากันตอบได้เลยว่าการให้ทานมีมากกว่าสตินะแต่สติสำคัญไหมสำคัญเป็นเครื่องมือนหนึ่งในมรรคมีองแปดแต่ไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่พระเอกแต่ตอนนี้เราไปฝึกสติเราไปเพิ่มสติทั้งนั้นแต่ให้ทานกันไม่ได้นะมันไม่ไปไหนหรอกนะ ก็เหมือนที่ว่าการสวดมนต์เนี่ยเมื่อกี้เราก็สวดมนต์ทำวัดเย็นเป็นประเพณีดีๆเราก็ดำเนินไปก็ได้ประโยชน์ถ้าทุกคนไม่ตั้งใจสวดมันก็สวดถูกสวดผิดมันก็เป็นสมาธิเบื้องต้นแล้วสุดท้ายนี่ก็แถมด้วยว่าหลายคนถามว่าพระครูเนี่ยแผ่เมตตาไหมเอาเปว่าตัวพระครูส่วนตัวนะ25ห้าปีไม่เคยแผ่เมตตาเลยแต่กคืเราทำวัดอะไรเนี่ยเหมือนเป็นการเตือนสติว่าเธอต้องแผ่เมตตาต้องมีเมตตานะ นะบางคนก็สวดมนต์สวดบนนะพอออกไปปุ๊บเขาเหยียบขาหน่อยหนึ่งไปด่าเขาแผ่มันก็เป็นชั่วโมงหนึ่งแต่ไม่เคยเมตตาเลยอันนั้นเป็นแค่ลมปากแผ่เมตตาเพื่อเตือนสติให้เรามีเมตตาพ่อครูไม่เคยแผ่เมตตาเลยยี่บห้าปีไม่ใช่ยี่สบห้าหกสิบห้าปีที่ผ่านมาแต่พ่อครูเมตตาทุกวันคือทําเลย ที่แผ่เมตตาเป็นการเตือนเราว่าอย่าลืมนะอย่าลืมเมตตานะอย่าลืมเมตตานะแผ่เมื่อกี้ยกยกออกไปเนี่ยเขาเหยียบขาหน่อยหนึ่งก็ไปด่าเขาแล้วอันนี้แผ่แค่ลมปากไม่มีประโยชน์แต่ถ้าว่าแผ่แล้วเนี่เป็นการฝึกให้เราเนี่ยเตือนว่าต้องมีเมตตานะออกไปเขาเหยียบขาปุ๊บเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะกลัวเขาคิดมากไม่เป็นไรนะอันนี้ด่าเขาซ้ําอีก เขาตกใจเลยเขาไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ระวังเหยียบขาเรานี้จะไปด่าเขาอีกเนี่ยแล้วแผ่เมื่อกี้เนี่ยศูนย์เปล่าเป็นแค่ลมปากไม่มีประโยชน์นะก็ก็อยากให้พ่อครูช่วยแนะนำในการปรับปรุงพัฒนาตัวเองในแต่ละจริตเขาก็เขียนมานะมีหกจริตนะเ อ, อาราคะจริตโทสะจริตโมหจริต วิตกจริตสทาจริตพุทธจริตจริงๆแล้วถ้าเราเข้าไปในจิตในจิตได้จิตเดิมเนี่ยเขาจะจัดการเองแต่ถ้าคนยังเข้าไปไม่ได้เนี่ยเขาก็มีอุบายวิธีอันนี้เรียกว่าเอาไซน์อินฝึกพฤติกรรมข้างนอกเพื่อเปลี่ยนใ น, ในิสัยข้างในแต่ถ้าเราอิสระเข้าไปในจิตได้เนี่ยเดี๋ยวจิตเดิมเราเนี่ยเขาจะมาจัดการเรื่องนี้เองนะเพราะจิตเดิมเขาเกิดมาเนี่ยนะเขาต้องการ ตอยอดเพื่อมุ่งสู่การพ้นทุกข์ถ้าไอจริตตัวไรเนี่ยที่มันเป็นขวางกั้นทางเดินเนี่ยเดี๋ยวจิตเขาจัดการแต่เมื่อเราเข้าไปไม่ได้เขาก็มีอุบายนะอย่างคนที่มีโทสะจริตโกรธบ่อยๆเนี่ยต้องใช้พรมวิหาร บ, าบา่อยๆเริ่มจากเมตตาธรรมต้องใช้พรมวิหารบ่อยๆคือเอากติกาตรงนี้เนี่ยมาเตือนสติเาราพอโกรธเขาเมตตาช่างมันเถอะนะ อย่าไปรอให้โกรธนะต้องฝึกให้มีเมตตาไม่ใช่บางคนมีเมตตาเด็กคนหนึ่งล้มลงไปเห็นเลือดออกมาเลยนะหัวเขาแตกเออน่าสงสารนะแต่ฉันไม่มีเวลาไปช่วยล่ะเพราะฉันต้องดีไปเราไม่มีกรุณามีเมตตาอยู่สงสารนะแต่ไม่กรุณาเพราะเราจะสูญเสียเวลาคนนี้ไม่มีจะกินสงสารนะไม่ไปสาบแช่งเขาแต่ว่า ก็ให้ไม่ได้เรามีแค่เมตตาแต่เราไม่ถึงขั้นกรุณาบางคนก็ไปช่วยเขาอยู่เขาเดือดร้อนก็ก็ช่วยเขามีกรุณาด้วยแต่พอวันใดวันหนึ่งเนี่ยเขาได้ดิบได้ดีกว่าเราไม่มีมุติตาอิจฉาเขาอีกเห็นไมขนาดให้เขาช่วยเขานะแต่วันใดวันหนึ่งเขาดีกว่าเราเนี่ยไม่ยินดีกับสิ่งที่เขาได้ไปอิจฉาเขา นะอันนี้ไม่มีมุทิตาบางคนก็เขาได้ดีสาธุดีใจกับเขาเราได้บุญด้วยนะเราได้มุทิตาบารมีนะได้ยี่ได้นะได้พรมวิหารนะแต่พอวันใดวันนึงเนี่ยเขามาเบียดเบียนเราทำให้เราเสียหายเราไม่มีอุเบกขานะตัวเองวัดนะตัวเองอยู่ตรงไหนนะอันนี้แหละคนที่โกรธบ่อยๆเนี่ย ต้องใช้พรมวิหารช่วยไม่ใช่ถึงเวลาค่อยเอามาใช้นะต้องฝึกบ่อยๆฝึกก่อนที่มันจะโกรธถ้าเราฝึกบ่อยๆแล้วเนี่ยถึงมันจะโกรธบ้างไอ้ตัวพรมวิหารบา ร, รมีเนี่ยพลังตัวนี้เนี่ยจะระ ง, งับมันได้หรือถ้าฝึกเป็นนา น, น, านปุ๊บโกรธก็ไม่มีเลยเนาะส่วนโมหะจริตเนี่ยนะไอ้นี้ คือความหลงแบบละเอียดนะออพวกนี้หลงแยกถูกแยกผิดไม่เป็นแล้วเนี่ยนะอันนี้ต้องใช้ศีลมากำกับเพราะมันหลงจนมันผิดศีลได้คล้า ย, า ย, ายว่ามันกล้าทำทุกอย่างฆ่าคนก็เอานะผิดศีลในกามหรือว่าอะไรไปฆ่าข่มขืนก็ไดนะ้อันนี้ต้องถ้าจะใช้เครื่องมือต้องฝึกให้ตัวเองมีศีลบ่อยๆนะแล้วก็ต้องใช้สติช่วย ส่วนราค่าเฉลี่นั้นน่ะพวกนี้เนี่ยติดใจในกามนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสชอบอะไรที่มันเป็นการมาราค่าเนี่ยอันนี้ถ้าในการฝึกกรรมาฐานนี่เขาให้ิจียณาอสุภะบ่อยๆนะเห็นว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีแต่ของสิ่งปฏิกูลอะไรทั้งนั้นน ะ, นะมองเห็นคนเป็นแค่กระดูกเป็นแค่อะไรน่นะอันนี้ก็ฝึกพิจาว่าไอ้ตัวนี้มันช้า พอเวลาฝึกนี่พอคูเห็นอยู่ฝึกอสุภะก็อ้วกแตกอ้วกแตกเลยนะคือเราจินตนาการเองนะไปดูสากศพหรือดูตับไตไส้พุงตัวเองเนี่ยเวลานั้นน่ยมันสังเวชนะแต่อีกไม่กี่วันก็สวยๆงามๆเหมือนเก่า <c oughs> มันเข้าใจมันไม่เข้าจิตนะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ฝึกนะมันก็ลดทอนได้บ้างแต่ถ้าฝึกบ่อยๆเนี่ยมันก็ลดกําลังพวกราคาจริตนี้ได้สามข้อนี้เนี่ย ถ้าในทางวิชาการเนี่ยเขาแยกเป็นอกุศลลจิตเป็นฝ่ายอากุศลนะเป็นฝ่ายอากุศลเจตสิกนะส่วนข้อสี่วิตกจริตนั้นน่ะคนพวกนี้นี่คิดมากคิดเก่งลังเลสงสัยเยอะแต่ก็ทำให้เกิดปัญญาได้นะแต่เราก็จะเสียเวลามันกับการคิดวิเคราะหนะ์วิตกจริตแต่ก็ทำให้เปิดปัญญาได้นะ มันมันเป็นของคู่หมดแต่วิตกจริตนี่ยังไปฝ่ายเป็นเป็นฝ่ายทางกุศลละจิตนะเพียแต่ว่าเราเราติดบ่วงเรื่องอยากรู้อยากเห็นนะศรัทธาจริตนี่พวกนี้เนี่ยปฏิบัติง่ายไม่ลังเลสงส์ใส่ใอะไรฉันก็ทำของฉันนั่นแหละไปเรื่อยๆนะพวกนี้พวกนี้จพวกพวกนี้เชื่อง่ายใจบุญ แต่ก็อันตรายบางทีเชื่อง่ายเกินไปก็ไปหลงนะแต่ถ้าเกิดเราบุญเขามีเยอะแล้วก็มีศรัทธาเฉลี่ยด้วยเนี่ยพวกนี้ปลอดภัยนะพวกนี้ปฏิบัติอะไรไม่สงสัยคือเดินได้อย่างเดียวตัวสุดท้ายในพุทธจริตเนี่ยอันนี้คนเจ้าปัญญาฟังอะไรเข้าใจง่ายแต่ก็ติดตัวรู้หลงตัวรู้ตัวเองง่ายเหมือนกันมันเป็นของคู่ถ้าติดตัวรู้ปุ๊บเนี่ยก็แป๊กเลยนะ กายการเป็นการหลงผิดก็ไดเ้เพราะเราหลงว่าเราเป็นคนมีปัญญาแต่ถ้าพวกนี้เนี่ยเขาจิตเดิมเขามีบารมีเยอะเนี่ยพวกนี้บรรลุแล้วได้ปัญญาวิมุตต์มีปัญญามากแล้วก็สข้อคือข้อสี่ข้อห้้อหเนี่ยอยู่ในฝ่ายกุศลเจตสิกนะ แต่ถ้าทุกจริตเนี่ยอย่างสายมหายานเขาทำภาพยนตร์เรื่องหนึ่งคือไซหิ๋วเห็นไหมมีพระถังสําจังเฮ่งเจียเจ้าลิงแล้วก็เจ้าหมูตือปวยกายแล้วก็สัวเจ๋งเนะฮ่งเจีย น, นี้เปรียบเสมือนจิตที่มีปัญญาวิมุตต์แต่เป็นมิจฉาปัญญาเจอมานชั้นข่าเลยถูกลงโทษแค่ไห น, นโลภแค่ไหนไม่เข็ดไม่ดาบเจอมานชั้นข่าเลยนะ ส่วนเจ้าหมูนี่ตะกะนะอันนี่ทุศีนนะเป็นศีนที่เป็นฝ่ายอกุศลนะเจ้าชูเขายูนเป็นเทวดาที่หล่อมากๆน ะ, นะชาตินั้นพอเกิดมาเขาเป็นหมูเพื่อเขาจะล้างไอ้ตัวนั้นอ่ะเขาจะมุ่งมั่นแต่บังเอิญมากเขายังมีอนุสัยตรงนั้นอยู่ก็คือเหมือนพวก ราคาจริตนะอันนี้คือวัถุศีลส่วนซัวเจ๋งเนี่ยอันนี้สมาธิแบบซื่อบื้อนะพว น, นี้ซื่อบื้อนะไม่มีปัญญาพราะถังสันจังเนี่ยมีทั้งศีลสมาธิไม่มีอัญญาอะไรเลยไม่มีปัญญาอะไรเลยนะก็เป็นถือว่าเป็นปัญญาจริตไม่ไปติดห่วงปัญญาอะไร ทั้งสี่จดีย์นี่เดินทางไปด้วยกันอัญเชิญพระไตรปิฎกและแต่ละคนก็ผิดพลาดบ้างอะไรบ้างไอ้เจ้าหมูเจอสาวสวยไม่ได้เจออร่อยไม่ได้เนี่ยก็ไปแล้วสุดท้ายทุกคนมันรู้ทำหมดนะเอาเป็นว่าจริตไหนก็ช่างถ้าเราเข้าไปในจิตได้จิตเดิมเราเนี่ยเขาจะเป็นคนแก้ปัญหาเหล่านี้จิตปัจจุบันมีหน้าที่เรียนรู้กับเขานะ แล้วก็ตัวนี้อีกคำถามหนึ่งการปฏิบัติทำแนวนี้เหมือนหลุดโลกเลยถูกต้องหรือไม่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะเราต้องยังอยู่ในโลกปฏิบัติเพื่อหลุดโลกนะกลัวหลุดจากโลกเนาะถ้าจะไปนิพพานเนี่ยไม่ว่าจะหลุดโลกนะไม่ใช่โลกเดียวนะต้องหลุดหยุดจากสามโลกธาตุสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัตินระกสมบัติ แต่ปฏิกิริยาที่เราแสดงออกเหมือนหลุดโลกไม่ไม่อยู่ในกรอบประเพณีวัฒนธรรมเราเรียกว่าหลุดโลกจริ ง, รงๆแล้วไม่ได้หลุดโลกไปไหนนะมันหลุดออกจากโลกแห่งการปรุงแต่งเราจะหลุดออกจากโลกแห่งการปรุงแต่งเข้าสู่ความเป็นจริงของธรรมชาติเวลาเด็กมันดีใจเป็นยังไงเออไม่มีมารยาทเวลามันเสียใจลงไป ก, กิ่งร้องไห้เหอใช่ไหม ไม่รู้กาลเทศะพอลุกขึ้นมามันก็เล่นกันต่อแต่ผู้ใหญ่ถูกโลกมันครอบไว้เนี่ยแขนนี้ต้องชำระสิบปียังไม่สายแล้วมะเร็งมันจะไปไหนล่ะเนี่ยเราอยู่ในโลกแห่งความสมมุติพอเรามาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยพอจิตมันอิสระแล้วเนี่ยมันดูดออกจากบ่วงตรงนั้นไม่ใช่ดูดโลกมันไม่หนีไปไหนนะมันก็อยู่บนผิวโลกนี่แหละ แต่มันดุดออกจากโลกแห่งการปรุงแต่งเข้าไปสู่สภาวะอิสระของเขานะถ้าเกิดเราจะไปนิพพานยังติดโน่ตนติดนี่อยู่มันไปไม่ได้นะช่วงเร็วๆนี้เนี่ยพระคุณจเจ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นนักวิชาการสอนที่เบียร์สงท่านก็แลกเปลี่ยนพระครูท่านบอกพระครูแนวนี้น่จะเอาสมณะสารูปไปไว้ไหนพระครูบอกพระอาจารย์เอาไว้บนหิ่งก่อนพระอาจารย์จะแบกไปด้วยนี่ยไม่ได้นะ รูปไงอัตตาไงแล้วเจริญที่ปสัสนายังจะติดร่วงพั น, นันอยู่มันทำไม่ได้เนาะนะเราจิตเราต้องอิสระต้องอยู่เหนือสมมุติบัญญัติต่างๆแต่เราต้องมีสติไม่ทำลายสมมุติแล้วก็ถามมาอีกด้วยว่าทำไมไม่ชีที่นี่ใส่ชุดดำเวลา ก, กังวัน นะเขาขออนุญาตพระครูจะถ่ายทําได้ไหมพระครที่นี่ไม่มีความลับนะไม่มีลทัทธินิยายชุดขาวชุดดําชุดสีอะไรก็ช่างมันเป็นแค่เครื่องนุ่งหม่มแต่ในทางศาสนาถ้าสมัยก่อนมีภิกษุณีนะมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาจิกาเห็นไหมเขาก็มีเขาเรียกว่าสั ญ, ญลักษณ์นะเป็นแค่ใส่ให้มันเป็นสั ญ, ญลักษณ์ ของของตำแหน่งหน้าที่เรานะเพราะครูบอกแล้วไงว่าเราไม่ทำลายไม่ฉีตอนนี้ก็แต่งชุดขาวชุดไม่ฉีเวลาเราทำพิธีกรรมดังาศาสนาเราไม่ละเลยแต่เวลาเราเต้นแรงเต้นกาเนี่ยชุดนี้มันเหมาะไหมเต้นไปเต้นมาเนี่ยไม่ฉีไม่รู้อะไรล อ, รอยออกมาทั้งหมดเลยนะแล้อย่างพระภิกษสุสงฆ์เนี่ยท่านไปอาบน้ําท่านก็มีผ้าอาบน้ําของท่านเนีย คือคือเราไปติดรูปแบบว่าต้องเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบอื่นปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ใช่เนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่คุณเชื่อถูกแล้วแต่มันไม่ได้ผิดอะไรแล้วไม่มีเจตนาอะไรมันเป็นแค่เครื่องนุ่งห่มนะเอาเป็นมาตอนนี้จะมีคนถามเราเยอะนะพ่อครูมาจากเมก้าใหม่ๆพ่อครูเป็นเกษตรกรนะก็ใส่ชุดเสื้อมอฮอมอะไรเนี่ย เป็นกรแสดงควมเป็นปกติพ่อครูทีนี้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแต่งงานลูกหลานเขาก็ต้องมาบอกเราถ้าเราไม่ไปเขาก็น้อยใจบ้างอะไรไม่ให้เกียรติบ้างนะทีนี้คนแต่งงานนี่พ่อครูจะไปอวยพรเขาก็ไม่ได้เนาะนะเพราะกองทุกมันรออยู่ข้างหน้าแต่พ่อครูจะไปขวางเขาก็ไม่ได้ไงจิตมันก็เลยบอกแต่งชุดดำซะ วันนี้ใครกล้าเชิญไปไหมมันคงเป็นมงคลเนาะเขาก็รู้ไงมันเป็นแค่อุบายวิธีใช่เฉยมันไม่ใช่ลทัทธินี่แล้วก็บังเอิญสีดํานี่มันเป็นสีที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกแล้วมันไม่ใช่สัญลักษณ์เป็นลทัทธินิกายอะไรมันเป็นแค่เครื่องนึ่งห่มที่มันเหมาะกับเราไม่ชี้กิ้งเขาล่อเขา ล, ล่อลงไปใส่ชุดขาวนี่มันเหมาะไม่มาถูสาลาเปื้อนกันไปหมดเนาะ แล้วเวลาเราขุดดินไม่ชีกกังวันก็ทำงานด้วยเนี่ยเราก็เลือกชุดที่มันเหมะที่นี้บางทีถ้าพระภิกษุบ้านเราเนี่ยหกจีวร อ, อะไรพวกนี้เนี่ยแล้วที่นี้ท่านไม่ได้มีกังเกงในเหมือนโยมไงเรามาเล่นแบบนี้แล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นอย่างวัดเศร้าหลินเนี่ขาถึงใส่กังเกงไงเขาเคลื่อนไหว เราต้องเลือกเครื่องนุ่งห่มที่มันเหมาะกับเวลานั้นๆไม่ใช่ลทัทธินิกายอะไรทั้งนั้นนะเราต้องเข้าใจนะพวกเราไม่ชีขออนุ ญ, ญาตพวอครูว่าเออไม่ใช่ทําตามพวกครูนะพวกครูใส่ชุดดังก็มาใส่ด้วยนะเจาะ้าลัทธิพาไป <c oughs> ไม่มีนะไม่มีก็เอาเป็นว่ามันเป็นแค่เครื่องนุ่งหม่มเราเลือกเครื่องนุ่งห่มที่มันเหมาะเรากับกิจกรรมที่เราทําอยู่ นะไม่มีไม่มีลทัทธินิกายอะไรทั้งนั้นเรายึดคําสอนพระริเจ้ามาดํารงชีวิตเป็นวิถีชีวิตของเรานะเราไม่ติดบ่วงพวกนั้นเล็กๆน้อยๆตอนนี้พว ก, กูเห็นเราขัดแยง้งนะคนกลุ่มหนึ่งก็ต้องเชื่อว่าต้องเอาคําสอนพระริเจ้ามาทุกคนก็อ้างคําสอนพระริเจ้าหมดล่ะเขาก็บอกพระใจวิโดกนี่บางอย่างไม่ใช่คําสอนพระริเจ้าเกือบครึ่งหนึ่งขงผอมพระเจ้าต้องพูดคําว่าดูก่อนดูก่อนดูก่อน อ น, นุนดูก่อนน่ถ้าไม่พูดดูก่อนก็เป็นเรื่องไอ้ที่หลังนี่สร้างขึ้นมาเองนะเอาภาษามาถกกันว่าอันไหนแท้ไหนเทียมถามว่าหลังจากคุณสรุปแล้วเนี่ยคุณบรรุธรรมไหมผู้เจ้าเองบอกอย่าพึ่งเชื่อตำราอย่าพึ่งเชื่อคำเล่าขานอย่าพิ่งเชื่อที่แม้กระทั่งพระองค์เป่งออกมาอย่าพิ่งเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์เราแต่อย่าพิ่งปฏิเสธปฏิบัติ เมื่อเราเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจสิ่งที่ผู้เจ้าตรัสรู้สิ่งนั้นพูดดยภาษาไม่ได้จะตอนนี้เอากันใหญ่เลยไงพวกเราไม่ติดบ่วงเก็ดเล็กเก็ดน้อยเราต้องการผลนะวิธีไหนก็ได้ที่ทำให้เราพ้นทุกข์แต่วิธีนั้นๆน่ะต้องไม่เบียดเบียนตัวเองกับคนอื่นอย่างเราเต้นๆๆๆอยู่ถามว่าเราไปตีหัวใครไหมก็ไม่ได้ตีหัวใครไงผลคืออะไร เอาละยังไม่รู้ว่านิพานคืออะไรยังน้อยๆคือกายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขมันก็ไม่ทุกข์แล้วไงเราไม่ได้ทำอะไรชั่วร้ายไม่ได้ทำอะไรผิดไม่มีเจตนาที่จะไปขัดแย้งกับใครเนาะโลกกระทำแปดเนี่ยมีลาบเสื่อมลาบมียศเสือเออสเส่อมยศมีสรรเสริญมินินทามีสุขมีทุกข์อันนี้มันเป็นสัจธรรม แต่โลกปัจจุบันเป็นยังไงมนุษย์สมมติขึ้นทุกคนวิ่งหาลาบยศสรรเสริญวิ่งหาความสุขมันก็ไปขัดแย้งกับความเป็นจริงมันเสื่อมไงได้พวกมันก็เสื่อมมันก็เลยทุกข์สิเพราะเราไม่เข้าใจความจริงของโลกกระทาแปดมันเกิดดับมันเป็น น, นิจจังทุกขังอนัตตาแต่เราไปตั้งโจทย์ชีวิตนี่เพื่อมุ่งหาลาบยศสรรเสริญสุข มันก็ไปขัดแย้งกับความเป็นจริงตามธรรมชาติเราก็ทุกข์สิเห็นไหมมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสารเสริญมเมนินทามีสุขมีทุกข์มันเป็นของคู่มันไม่ใช่สุขแท้มันเป็นสุขสุขดิบๆด็นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งผู้เจ้าตัดไว้ในที่เดียวเท่านั้นนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่ไม่ใช่นิพพานมีรถเบนซ์มีบังกะโลมีเงินแสนล้านคือไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยก็ไม่ต้องแบกไม่ต้องหามไงไม่ต้องกังวลเขาจะขโมยเราเห็นไหมทำไมเป็นสุขอย่างยิ่งล่ะไม่ได้อะไรเลยไม่มีที่มันสุขอย่างยิ่งเพราะมันไม่มีทุกข์เลยไม่กังวลอะไรเลยนั่นคือสุขอย่างยิ่งแล้วใครเปลี่ยนอารมณ์เราก็ไม่ได้ไงนั่นแหละแต่ว่าวิถีโลกเราปรุงแต่งขึ้นมามันไปขัดแย้งกับความเป็นจริงเรารู้อยู่แล้วมีราบคุณก็เสื่อมราบ คุณเอาไปไม่ได้หรอกมียศคุณก็เสื่อมยศพอกเกษียณแล้วเนี่ยปุ๊บไม่มีใครมาหาเราเลยมีสรรเสริญคนคนอิจฉาเราก็มีมันก็มีนินทาเห็นไหมมีสุขในทางโลกมันก็มีทุกข์เป็นของคู่ไหนบอกว่าทําตามพุทธเจ้าไงก็องกราบไหว้พระ อ, องค์กราบไปพระ อ, องค์ทุกวันแต่ไม่ทําตามพุทธเจ้าไปทําตามทุนนิยมมันก็ทุกข์สิ นะอันนี้ต้องชัดเจนนะเราไปขัดแยง้งแล้วทีนี้สองวันนี้ก็คุยกับอาจารย์อ้อยบางคนหมั่นใส่อาจารย์อ้อยนะเพราะครูทำไมไมีแต่พูดถึงอาจารย์อ้อยเป็นพระเอกอยู่เรื่อยหน้าหนึ่งอยู่เรื่อยเพราะอาจารย์อ้อยเจ็บตัวมากที่สุดนะตอนนี้อาจารย์อ้อยได้มีการบ้านจิตเดิมนี่ให้สมการ นะให้สูตรสมการให้นักวิทยาศาสตร์ไปวิจัยดูเป็นยังไงอาจารย์อ้อยบอกว่าเขาบอกว่า x เท่ากับ y บวกศ x เท่ากับ y บวกศย์ถ้าคนเรียนเรื่องนี้มาพักกูไม่คุยเรื่องๆนะแกพูดเพกืพ ก, กูเข้าใจเราไปหาค่าคือธรรมชาติมันเป็นอนันตาอยู่แล้วมันเป็นอนิจจังตรงอาตามมันเป็น0ูนย์ มันไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นสิ่งสมมุติชั่วข่าวแต่มนุษย์สร้างวายขึ้นมาสร้างวายนะมันมีวายสองวายนะวายคือว่าทําไมทําไมอีกวายหนึ่งวายวอด <c oughs> ไอวายตัวนี้ดีมาก <c oughs> นะเราเราเราไปสร้างวายขึ้นมามันไม่มีเราสร้างความมีขึ้นมาเริ่มจากเรามีชื่อก่อน ชื่อบัญชานะพ่อแม่ตั้งแล้วมีความสุขมีวายตัวหนึ่งล่ะนี่พ่อนะมีแม่นะเรียนเก่งๆนะหาเงินเยอะๆนะรวยแล้วจะมีความสุขนะชนะจะดีนะหลายๆวายเลยนะรวมกันหลายๆวายกลายเป็นอะไรล่ะเป็นอัตตาชีวิตเราก็วายวอดถามอยู่ตรงนั้นแหละทําไมทําไมทําไมวหายว่ายว่าว่ นะสร้างวายทุกวันนะทำาไมทุกวันแล้วก็ทำาไมปุ๊บแล้วก็เอาไปคิดอีกก็สร้างวายตัวใหม่ขึ้นมาอีกเห็นไหมพอเอาวายเราให้คุณค่าซะว่าเราคุณค่าให้มันเป็น9 9กบวกศนก็เท่ากับ9ไงมันก็ไม่ตรงความเป็นจริงความเป็นจริง x มันคือ0สมการตัวนี้เนี่ยจิตเดิมบอกนักเบียศาสตร์ ไปหาคำตอบมันอยู่ดีๆของมันมันไม่มีก็สร้างให้มันมีก็ทุกสิเพราะเราขัดแย้งกับความเป็นจริงตามธรรมชาตินี่ปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเป็นปัจจตังเวทิตะโพวินยูหิเป็นสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนแต่คนที่มีจริตซึ่งเป็นนักวิยาศาสตร์เนี่ยส่วนมากมีสองอย่างก็คือหนึ่ง วิตกจริตสองพุทธจริตเขาจะเสียเวลาการคิดวิเคราะห์แต่ถ้าเขาผ่านได้เนี่ยเขาจะเกิดปัญญาเร็วจะเกิดปัญญาวิมุตตแต่ทุกอย่างมันมีขั้วบวกก็มีขั้วลบในตัวมันไม่มีอะไรที่เลอเลิอดแต่ละอย่างแต่สุดท้ายแล้วว่าทุกจริตถ้าเราไม่หยุดเดินทางเนี่ย ช้าเรื่อเร็วมันเป็นเรื่องของน า, นานาจิตตังเป็นเรื่องของบา ร, รมีเก่าอย่าไปแข่งกันนะขอให้ทุกคนยอมรับความจริงว่าถ้าคนรับไม่ฉันไม่ทุกฉันไม่ทุกพราะคูบอกเลยนะอย่าเสียเวลาอยู่ที่ศูนย์กลับบ้านไม่ทุกไม่ต้องมาที่นี่ถ้าเราไม่ยอมรับว่าเราทุกมีทุกเป็นประธานแล้วเนี่ยมันไม่มีศรัทธากับสิ่งที่เราทาทำไปทไมฉันไม่ทุก เราทุกอยู่ทุกทุกคนน่ะแต่เราไม่เห็นทุกเราทุกทุกวันปวดท้องแค่ไม่มีห้องน้ําเขาก็ทุกแล้วปวดฟันก็ทุกเขาด่ามาก็ทุกแต่เราเราทุกแต่เราไม่เห็นทุกเจ้าชายศิริษานเนี่ยพระองค์ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรนะพระองค์อยู่ในมหาประสาทราชมณฑลเทียนมีประสัดสามดูดูนะพระองค์ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรแต่พระองค์เห็นทุกเห็นทุกเพราะเกิด แก่เจ็บตายเห็นทุกข์พระองค์จึงแสวงหาออกไปมุ่งหาแสวงหาโมกรธรรมหาวิธีแก้ปัญหาให้เราหลุดออกจากทุกข์นั้นแต่ถ้าเรายังเข้าใจว่าเราไม่ทุกข์มันก็ทําได้ระดับหนึ่งเราทําได้ระดับหนึ่งเราก็เกิดความรู้อย่างหนึ่งน้อยๆต่อสัมผัสพลังอย่างหนึ่งในตัวเราได้อะไรหน่อยหนึ่งนะ แต่เราก็ไม่ศรัทธาตั้งมั่นร้0ยเปราจะถูกมารมันหลอกเราจะถูกมารหลอกงานในใจเรานี่เก่งมากนะมันมันมันรู้ว่าเราชอบอะไรเราเกลียดอะไรเรากลัวอะไรมีบางคนมาจากกรุงเทพมานั่งอยู่ลอยป๊บเหมือนจิตจะหลุดพ้นแล้วนะมันสั่งบอกว่าพ่อครูบอกให้เปลี่ยนที่นั่งใหม่พอลืมตาออกมาพ่อครูไม่ได้อยู่นั่งร้องไห้เลยมารข้างนอนี่เรื่องเล็กนะ แต่มันในใจเราเนี่ยเพราะเขาก็คือเราเราก็คือเขาเราก็อยู่กับมันตลอดเวลามันรู้ว่าเราชอบอะไรเราเรากลัวอะไรเราเกลียดอะไรถ้าเราไม่ตั้งมั่นศรัทธาแล้วเนี่ยที่บอกเรามีนิพพานเป็นเป้าเนี่ยเหมือนเราเราจะเดินทางทิ่งกับเป๋าออกจากบ้านว่าไปไหนบอกฉันไม่รู้ไม่รู้เราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาล่ะลกมาทุบมาอุบลนะ ส่วนเรายังไม่รู้หรอกที่พานมันคืออะไรศูนย์พาลาน่อยเป็นยังไงไม่รู้หรอกมาดูก่อนเราก็ต้องมีเป้าหมายแต่ว่าเรายังไม่รู้มันคืออะไรเราก็ต้องมาพิสูจน์ก่อนมาช่วงเวลาเดินทางปุ๊บเราก็ลืมเป้านั้นก่อนไม่ใช่ไปคิดถึงมันนะก็ตั้งใจเดินมาเดินมาให้มันถึงศูนย์นะแล้วเราก็รู้ว่ามันคืออะไรนะตอนนี้ สังคมเกิดวิตกจริตเพราะเรากลัวแพ้เรากลัวเสียเปียบนะพูดภาษาไทยเหมือนกันแต่แปลไม่เหมือนกันขนาดเพื่อนสนิทเรานะเขาเปล่งวาจาออกมาเรายังคิดเลยว่าเอ๊ะมันพูดอย่างนี้แปลว่าอะไรคนไทยด้วยกันนะมันเกิดสังคมวิตกจริตอย่างนี้นะลึกๆมันไม่เชื่อถือกันเพราะสังคมมันแย่งชิงกันเอาเปียบกันเห็นไม อย่าว่าจะแปรบาลีเป็นไทยเลยนะแปรไทยเป็นไทยก็ไม่เหมือนกันทะเลาะบ่อแวงกันเพราะสังคมเกิดวิตกจริตสมัยพุทธกาลก็มีวิตกจริตแต่มันไม่แรงขนาดนี้เห็นหเพราะกิเลสมันพัฒนาไปตามเทคโนโลยีมันขี่จรวดไโทรศัพท์ G2 ไม่พอแล้ว G2 ย, ยังไงพวกครูก็ไม่รู้เลยนะไม่รู้ว่ามันคืออะไร G3 ยังไม่พอ G4 อีก G5 อีก เห็นไหมมันเร่งสปีดนะเมื่อกี้พอพูดถึงโทรศัพท์มือถือนะก็มีหลวงพี่มาบอกพระครูเมื่อวาเ น, นี่ยเขาเอามือถือสี่ตัวเนี่ยสี่เครื่องมามาชนกันอย่างเงี้ยเปิดเครื่องนะรับรับคืนแล้วก็เอาเม็ดข้าวโพดวางไว้ตรงกลางนะสักพักหนึ่งมันเป็นป๊อปคอร์นเลยไม่ใช่เรื่องเล่นนะ คลื่นมันอันตรายมากแล้วทีนี้เขาลองเอาสองเครื่องแล้วเอาไข่ไปตั้งไว้นะไข่สุกอะพวกครูถึงบอกว่าบางคนเป็นห่วงสุขภาพพวกครูนะจะเอาอาหารเสริมมาให้กินอะไรบอกไม่ต้องหรอกคิดเฉยๆก็ได้บุญแล้วอย่ามาสร้างความเคยชินให้ร่างกายพวกคูไปติดมันแค่คิดเฉยๆก็บุญแล้ว ทั้งห่วงสุขภาพพระครูจริงๆเนี่ยอยู่ในศูนย์นี่ใช้โทรศัพท์น้อยๆหน่อยหนึ่งอย่าดึงขึ้นมาให้พ่อครูหายใจเข้าไปเดี๋ยวพระครูสุกนะพระครูสุกแล้วใครจะมานั่งพูดตรงนี้ล่ะเนี่ยเราใช้บ่อยๆเนี่ยสมองมันจะถูกมันจะถูกต้มแต่ยุคนี้ไม่ใช้ไม่ได้งไงต้องใช้แต่ว่าใช้อย่าใช้แบบไม่บัญญะบบร ญ, ญังเนาะ หลายคนบอกคิดถึงพระครูศรัทธาพราะครูมากเลยขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยพระครูบอกโทรโทรโทรอย่าโทร <c oughs> นั่นแหละเบอร์พรอครูเนาะยี่สิบห้าปีนี่กดโทรศัพท์ไม่เป็นนะระวังนะยุคนี้เทคโนโลยีมันมีข้อดีมันก็มีข้อเสียเยอะเห็นไมต่อไปใครจะกินป๊อปคอนไม่ต้องไปซื้อนะเอากระพามาทำอย่างนี้นะ แต่เราคนยกมาสี่เครื่องแล้วก็เปิดขึ้นใส่กันเลยเดี๋ยวมันก็เป็นป๊อบคอนพวกครูบอกแลก้วกรุงเทพรถติดน่ยมันยังน้อยกว่าข้างบนจราจรข้างบนอากาศเนี่ยมากกว่าที่รถติดด้วยน่ากลัวมากนะเราอยู่เมืองใหญ่ในบางทีเราหงุดหิตไม่รู้ตัวนะ เขาโทรสัปดา่ากันอยู่เราหายใจขึ้นตัวนั้ น, นอารมณ์นั้นมันกระทบเรานี่แหละเขาเรียกว่ามาเลงทางอารมณ์ล่ ะ, นะมนุษย์เรานะเทคโนโลยีเก่งนะต้องใช้มันเป็นนะถ้าเราไปหลงมันเมื่อไหร่เนี่ยเราทำลายสุขภาพเราทำลายตัวเองไม่ใช่เรื่องดีนะก็พวกครูเคยไปอินเดียเมื่อ เพราะกูยังจำไม่ได้นะกี่ปีแล้วไม่รู้เราไปนะเพราะกูไปสถานที่แห่งหนึ่งเป็นรีสอร์ทรีสอร์ทนั้นเขาปฏิบัติธรรมเพราะกูไม่เอ่ยชื่อเขาเนาะเดี๋ยวจะมีประเด็นอีกค่าพักแพงมากคืนหนึ่งที่เป็นคนไทยเนี่ยเกือบสามพันบาท นอนสองคนไม่มีโทรทัศน์ไม่มีตู้เย็นแม่ะไรห้ามใช้มือถือด้วยเห็นั้ยเขาไม่แหวขึ้นดึงขึ้นเข้าไปข้างในเขาปฏิบัติธรรมแต่ขึ้นพวกเหล่านี้มันไม่ใช่ธรรมมันไม่ใช่ความจริงตามธรรมชาติมันเป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นมาและแอ บ, บอิงขึ้นตามธรรมชาติตัวนี้เนี่ยใหญ่กันเลยทุกคนเครียดหมดนะ แต่รีสอร์ตตัวนั้นน่ะเขาไม่ให้ใช้เลยโทรศัพท์ถ้าจะใช้ออกไปนอกรีสอร์ตนะเขาเขาระวังมากศูนย์นี้เหมือนกันไม่ใช่ไม่ให้ใช้เลยแต่ใช้อย่างระวังแล้วก็เราได้พักผ่อนตื่นเช้ามาก็โทรนะกินข้าวอยู่ก็โทรเวลาไม่โทรคือเวลาอาบน้ำกับเวลานอนหลับสองเวลาเท่านั้นเอง นะพวกกูก็เลยเอาโทรเยอะๆเลยโทรโทรโทรอย่าโทรนะปลอดภัยไงเราก็ได้พักผ่อนประสาทเราอันนี้ใช้อย่างไม่บรรยัญญบัญญังเลยเนี่ยนะร่างกายมันโทมหมดนะก็เมื่อกี้นี่สูตร X เท่ากับ Y บวกศู 0. นะทฤษฎีไอน์สไตน์ Einstein นั่น สถิติศีสัมผัสภาพเป็นเสี่ยวหนึ่งนิดหนึ่งของปฏิสมุติบาทที่ผู้เจ้าตัดส루ไปค้นพบการเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องของสปปรรพสิ่งของพลังงานต่างๆท่านั้นเองซึ่งมันเป็นเสี่ยวนิดหนึ่งของปฏิสมุติบาทที่ผู้เจ้าไปตัดส루หรือว่าอิทัพ ป, ปัญญาตา นะ่ะคือความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดแต่ออสตา่ายไปนค้นพบแค่เรื่องกายภาพเพราะมันแค่มันช่างตวงวัดได้ยังเข้าไม่ถึงเรื่องจิตวิญญาณยังเข้าไม่เรื่องถึงเรื่องตะแสะกรรมเรื่องบาปบุญคุณโทษกฎแห่งกรรมเรื่องวัฏฏสงสารพวว่อควยอย่าบังอาจ เอานักวิยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยมาเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าคนละเรื่องคนละชั้นนะแต่ตอนนี้เราพยายามจะลิงก์เอาคนดังๆเนี่ยเพราะอะไรล่ะมันโปรโมทนั้นสือได้ง่ายหน่อยหนึ่งนะแต่ถ้าเราเข้าถึงเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยมันคนละชั้นมันคนละเรื่อง นะเพราะว่าสิ่งผู้อา์ตัดสรุเนี่ยตัดสรุด้วยยานรู้ยานทศนะเกิดจากการเจริญวิปัสนาไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรเลยช่างตวงวัดแต่วิทยาศาสตร์ตอนนี้เนี่ยเราไปเน้นแต่เรื่องของกายภาพนะเราละเลยเรื่องจิตวิญญาณลราปฏิเสธเรื่องนา ม, มาทํารูปนามมันมีจริงๆ ใช่มมันมีเรื่องอารมณ์ต่างๆมันเป็นเรื่องนามมาทําแต่ว่ามันก็ทําให้เราสุขเราทุกข์เราเครียดเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บทุกวันนี้แหละเมื่อกี้แก้วที่ไปรายงานว่าเที่ยวนี้เด็กเรามาเข้าค่ายเนี่ยตาแดงกันสิบกว่าคนครูก็ติดด้วยมันลามไปเร็วมากนะตอนนี้ที่จังหวัดอุบลเนี่ยยาหยอดตาขาดตลาดนะอันนี้ยกตัวอย่างนะเออ แล้วอีโบลาอีโบลาอีโบล า, าเดี๋ยวอีหน่อยอีดาอีแดงมันก็มาด้วย <c oughs> มนุษย์เราไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะ <c oughs> แล้วมันเคยเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้แต่สมัยก่อนมันเกิดเป็นอย่างเว่นคนครวัดนคนรธมนี่จเจริญมากทาั้งละวัตถุหนึ่งในสิบของโลก <c oughs> มันก็เกิดการละโลกนั่นแล้วก็ตายหมดเลยตรงนั้น <c oughs> แต่ว่ามันไม่มีการเดินทางข้ามทวีป มันก็ตายเฉพาะตรงนั้นไงนี่คือความเจริญของเทคโนโลยีไงเอาแค่คนหนึ่งหลุดออกมาจากตรงนั้นนะคุณก็เอาไม่อยู่เลยนะนี่แหละสิทธิเสรีภาพในการเดินทางไงเห็นไหมอย่างเมืองไทยเราเนี่ยพ่อครูตั้งแต่เด็กมาเนี่ยรู้นะเดี๋ยวก็เอาวัคซีนนั้นวัคซีนนี้หลายๆโรคในเมืองไทยมันสูญหายไปเลยนะเพราะวัคซีนเนี่ยก็มีประโยชน์ไงแต่เนื่องจาก ค้าขายเสรีแล้วต้องการแรงงานเยอะๆปล่อยเข้ามาแบบไม่บัญญะบรญยังเลยเห็นไมไอ้โรคที่มันหายไปมันเกิดขึ้นมาอีกจะเป็นเรื่องอท้าวช้างหรืออะไรพวกนี้เห็นไหมมันได้ไม่คุ้มเสียไอ้ทุนนิยมคนกลุ่มหนึ่งมันได้ประโยชน์จากตรงนั้นแต่คนส่วนใหญ่ของประเทศนี่ต้องไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกับ ก, กิจโรคพวกนี้ นี่แหละเนื่องจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยีมันไปมาหาสู่กันเร็วไงตั้งแต่เขาประกาศว่ายุคข่าวสารไร้พรมแดนนะตอนนั้นนะมันกำลังจะทำอะไรพวกนี้ขึ้นมาล่ะพวกโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้นะพวกพวกนี้นพวกคูบอกยุคข่าวสารเร็วเนี่ยถ้าข่าวสารเร็วมันก็เร็วไว ถ้าข่าวสารดีมันก็ดีไวตอนนี้มันเลวไปหมดเลยทำให้ทุกคนเป็นทานมันหมดนะเด็กๆเหมือนกันเนี่ยเราใช้มันเท่าที่จาเป็นอย่าเอามาเป็นของเล่นมันไม่ใช่ของเล่นมันยิ่งกว่ายาเสพติดมันต้มไข่สุกเลยนะเราเอาขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวสมองเรามันก็สุกเลยนะฟอหมดนะมันไม่ใช่ของเล่น แต่ถ้ามันเป็นของใช้งานเราก็ใช้มันเท่าที่จําเป็นไม่ใช่เอาเป็นของเล่นมันไม่ใช่ของเล่นมันเป็นยาเสพติดมันมีพิษนะมันมีพิษเขาก็พิษทางกายภาพไม่พอนะเขาพิสูจน์ได้เห็นไหมมันเป็นป๊อบคอนอะ่ะมันเป็นพิษทางกายภาพแต่พิษทางอารมณ์เรามองไม่เห็นเด็กเป็นสมาธิสั้นหมดพอาะไปเล่นไในนี่แหละนะ อันนี้คือพิษทางอารมณ์เป็นมะเร็งทางอารมณ์อันนี้ขนาดมะเร็งทางกายภาพรักษาหายบ้างไม่หายบ้างส่วนมากก็ตายนั่นแหละแต่ถ้ามะเร็งทางอารมณ์เนี่ยไม่มียารักษานะไม่มียาวิเศษรักษานะนะต้องมาเวียงทิ้งอย่างเดียวตอนนี้พอ ก, กูก็สังเกตอยูดด่เวียงแล้วมันก็ไม่ทิ้งนะอันนี้ก็แบกไปด้วยนะไอ้ฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยเนาะไม่ทิ้งสักทีหนึ่งมันเหนียวเหนอะหนะเลย เ, ออเขียนสกศให้กันด้วยรักและผูกพันทั้งผูกทั้งพันกลัวมนหลุดใส่กาวเยื่อหอกแล้วก็รักด้วยมันจะเป็นไหนล่ะมันก็กอดคอกันข้ามพบข้ามชาติไงเราทําอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นเห็นไหมเนี่ยมนุษย์เราปรุงแต่งขึ้นมาบางคนมันนั้นหลายปีแล้วถามพรอกูพ่อคูตอบสั้นๆได้ไหมทุกขมันคืออะไร ไอ้ทุกข์สมุทยนี่โลดมากเนี่ยไอ้ทุกข์นี่คืออะไรจิตพวกคูก็บอกว่าสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงคือตัวทุกข์อะไรที่มันไม่ใช่ธรรมชาติมนุษย์ปรุงแต่งขึ้นนะ่ะทุกข์แน่แนคนละทุกข์นะอันนี้ทุกข์ที่มันตรงกันข้ามกับสุขแต่ถ้ากดพระไตรลักษณ์แล้วเนี่ยอันนี้จังทุกขังอนัตตาทุกขขังตัวนี้เนี่ยความสุขเราเนี่ยก็เป็นทุกข์ขังเพราะมันดำรงอยู่ได้ยาก นะมันไม่ใช่ทุกขังตัวนี้ไม่ใช่ทุกซึ่งเป็นตรงกันข้ามกับสุขมันคือมันดำรงอยู่ได้ยากความสุขเราก็เป็นของชั่วคราวความสุขพอสุขดีๆเขาแย่งไปก็ทุกแล้วมันก็เป็นทุกขังมันดำรงอยู่ได้ยากเพราะกฎพระไตรลักเนี่ยใครเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้แต่เรียกศรีผู้เจ้ามีทุกเป็นประธานทุกตัวไอตัว suffering เนี่ยละไอตัว suffer เนี่ย เราเกิดมาวันแรกก็แหกปากลองแล้วเนี่ยพระองค์ก็ชี้ให้เรารู้ว่าเหตุแห่งทุกข์คือตัวปัญหาคือตัวสมุทัยนะแล้วก็ชี้ให้เราดูว่าตัวนิโรธคือตัวนิพพานเนี่ยก็คือตัวตัวดับทุกข์นะแต่ตัวสุดท้ายนี่สำคัญที่สุดนะมันแปลมันเป็นดวงมรรคเนี่ยคือหนทางมุ่งสู่ความพ้นทุกข์ และตัวมรคนี่ก็เป็นตัวผลด้วยบางคนไม่เข้าใจนะมันเป็นเหตุและผลเหตุที่เราเจริญมร์สุดท้ายเราเข้าสู่นิพพานเราก็ดับทุกข์ได้แต่เมื่อเราดับทุกข์ได้ถ้าเรายังไม่ละสังขารเจ้าชายชิตติษฐ์จัดสรุธรำในวันวิสาขาบูชานั้นเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์ไม่ต้องสร้างบา ร, รมีอีกแล้วพระองค์ บรรลุทำแล้วแต่เวลาที่เหลือพระองค์อีก 45, สี่สิบห้าพันศานั้นะอยู่ในมักในทางโดยไม่ต้องเจริญมักมักมาถึงอยู่สุดท้ายนะทุกสมุทัยนิโรธมักทําไมมักไม่อยู่ก่อนนิโรธนิโรธสูงสุดแล้วไงทําไมมักอยู่ที่หลังไอ้มักตัวข้างหลังเนี่ยมันคือผลของนิโรธ เมื่อเราเข้าถึงตรงนั้นแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยมันเป็นมักโดยธรรมชาติไม่ต้องเจริญมักนะมันเป็นมักโดยธรรมชาติเมื่อจิตมันเข้าถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยพฤติกรรมข้างนอกมันนอกจากมักมันไม่ทำมันไม่ใช่เหตุผลนะมันเป็นธรรมชาตินะอันนี้เราต้องปฏิบัติแล้วเมื่อเข้าถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยผลมันจะเกิดขึ้นกับล้วแล้วเนี่ย เราถึงจะเข้าใจสิ่งนี้นะไม่ใช่เอาตัวหนังสือมาแยงกันมาตั้งโจทย์ของชั้นแท้ของเธอเทียมนี่นะมันก็มีประโยชน์ระดับหนึ่งแต่พ่อครูว่ามันมีโทษมากกว่ามันเสียเวลาแล้วก็มาสร้างความขัดแย้งในหมู่ศา ส, สนาด้วยกันมันไม่มีสาระอะไรหรอกคนคนหนึ่งเขาจะเอาก้อนหินตัวหนึ่งมาตั้งไว้เนี่ยแล้วไปนั่งกราบไหว้ทุกวันนะแล้วเขาก็เชื่อว่าก้อนหินตรงนี้มันศักดิ์สิทธ และเขาไม่ถูกก็เรื่องของเขาอย่าไปว่าคนที่ว่าเ็าผิดเนี่ยนะเฮ้ยมึงโง่หรือเปล่ามัเปล่าคนที่ไปว่าเขานี่สร้างวัจจกก ร, รมตลอดเนี่ยโง่อย่างยิ่งอันนี้เราไปหลงว่าเรารู้เราเร า, เราถูกคนอื่นผิดเห็นไหมมีญาติธรรมมาใหม่เมื่อวานนี้พาะครูก็แอบดูอยู่นะนะมีคนจิตเนี่ยแย้งอยู่ ปฏิบัติธรรมอะไรเต้นแบบนี้เต้นแบบนี้อะไรแล้วเนี่ยเพราะครูแอบดูเพราะครูแอบไปเห็นจิตนะเออบางคนอยู่ที่นี่กวาดใบไม้แล้วยังโดนว่าอีกอะไรเนี่ยน้อยใจเพราะครูไม่เห็นใจเราเลยอุตส่าห์ทำดีแล้วเ <c oughs> พราะครูเห็นใจทุกคนเพราะครูเข้าใจทุกคนแต่พ่อครูไม่ตามใจไงมีตะกิเล่ทั้งนั้นกวาดไปด้วยก็คิดไปเรื่อยมือยลอยไปด้วยเออก็ยิมยิ้มย่องไปเลยมีตะกิเล่ทั้งนั้นนะ เรายังไม่เห็นใจตัวเองเลยใครจะเห็นใจเราแต่พระครูเห็นใจพวกเราใจมันต้านเพราะมันไม่คุ้นเคยเราถูกใส่โปรแกรมนะว่าปฏิบัติธรรมต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้านอกเหนือจากแบบนี้ไม่ใช่คําสอนพระพุทธเจ้าเห็นไหมได้ประโยชน์นะวิธีนี้เร็วมากนะแค่ชั่วโมงเดียวเราก็เห็นว่ากิเลสเรามันต้านวิปัสสนาเกิดขึ้นแล้วนะนี่แหละคือวิปัสสนาละ เราเห็นกิเลสเราไงเฮ้ย hey, มันลำไม่ออกนั่นแหละกิเลสนะทำไมมันลำไม่ออกนะมันไม่คุ้นเคยมันอายไงเนี่ยตัวตวนของเราแหละไม่ใช่ไปนั่งกดมันไว้ทั้งสมาธิแล้วก็นึกเอ า, น, เอานึกเอาจินตนาการเอานั้นวิปัสสนึกเราไม่ได้เห็นความจริงแต่นี่เราเห็นความจริงว่าเรามีความรู้สึกยังไงเนี่ยนั่นแหละคือวิปัสนาไม่ใช่ไปว่ารู้มากนะ วิปัสนาคือรู้แจ้งเห็นจริงเห็นอะไรจริงเห็นอารมณ์ข้างนอกคือเวทนาในเวทนาเห็นอารมณ์ข้างในคือธรรมอารมณ์ธรรมในธรรมไม่ใช่ไปว่ารู้มากอ่านหนังสือเยอะๆมีแต่ขยะนะแล้วก็มานั่งเถียงกันทะเลาะกันนิพพานเป็นอัตตาหน้าตาอยู่นั้นอันนั้นไม่ใช่ธรรมะอันนั้นเป็นเรื่องวิชาการนะมันไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกข์ซะหน่อยหนึ่ง สามข้อง่ายๆทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสมีข้อไหนบ้างผู้เจ้าบอกให้เพิ่มความรู้มีไหมไม่มีทำดีคืออะไรทำดีคือการให้ทานบารมีทั้งสิบนี่เดี๋ยวไปอ่านดูนะมันทั้งสิบทเนี่ยไม่มีข้อไหนเอาเข้าเลยนะมีแต่เอาออกหมดบารมีสิบเกิดจากเราก็ออก แม้กระทั่งทานบาลมีเนี่ยคือเราสลัดออกเอาความโลภความตปหนีออกเห็นไหมไมิจอาออกทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งเนคขมะบาลมีเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่ไปเอามมาเพิ่มนะแค่เราไม่ไปทำชั่วไม่ไปเอามาเพิ่มเนี่ยนะและเอาตัวมันอยากไปเที่ยวบอกกูไม่ไปเราก็ดับความอยากนั้นได้เอาความอยากนั้นออก พราะผู้เจ้าไม่ได้สอนให้เราเพิ่มเติมแม้แต่หนึ่งอย่างลดละเลิกแต่ตอนนี้เราไปหาความรู้แล้วเอาความรู้มานั่งทะเลาะกันมานั่งเถียงกันของฉันแท้ของเธอเทียมมันได้ประโยชน์อะไรมันต้องนาน า, นาจิตต่างหลากหลายอุบายวิธีแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็ไม่เหมือนกันแต่หลักคําสอนผู้เจ้าเรื่องอริยสัจสี่เนี่ยใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันคือสัจธรรมอีกกี่ล้านปีมันก็เหมือนเก่า แต่ในข้อผิดย่อยพวกูไปอ่านนะหนังสือที่เขาออกมาใหม่เล่มแรกของโลกเนี่ยเดี๋ยวไปเอ่ยชื่อเขาพวกูก็ว่าเขาก็หวังดีแต่หวังดีในความหลงผิดของเขาไม่มีงานทำใช่ไหมพระไตรปิฎกร้อยเล่มเก่าๆรุ่นเนี้ยเขาก็ตั้งอยู่ดีๆของเขาไม่ได้ไปตีหัวใครวันดีคืนดีก็ามาปุ๊บปฏิรูปพระไตรปิฎกให้เดยอยู่สี่สิบห้าเล่ม สี่สิบห้าเล่มมันยังอ่านยากมันจบยากเนาะให้มันเหลือเล่มนึ่งใหญ่ๆนี้ดีกว่าระบบของแท้พระไตรปิฎกเล่มจริงๆเนี่ยเปิดอกมาไม่มีตัวหนังสือเลยนั่นของแท้พอเขียนเป็นหนังสือปุ๊บเนี่ยมันหยาบเกินไปละแต่ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เหมือนแผนที่เหมือนลายแทงเราก็มาศึกษาแค่สังเขตแล้วก็ต้องปฏิบัติเยอะๆเจ้าชายศิริษฐานไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกเลย องเริ่มจากปฏิบัติก่อนลองถูกลองผิดอยู่หกพรรษาเมื่อตัดสรู้ทำเข้าสู่ปฏิเวทค่อยอสินินพวกรู้เห็นมาบอกกล่าวเท่าที่บอกได้ปริญัติเกิดขึ้นทีหลังแล้วทําไมไม่ทําตามพุทธเจ้าล่ะนี่คืพุทธโอวาใทไงผู้เจ้าบอกท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นเราถาถากตพระ อ, องค์ไม่เคยบอกเราว่าเธอต้องไปเรียนจบด็อกเตอร์นะจบป ร, ริญญาเก้านะค่อยมาปฏิบัติไม่เคยพูดไง ทำไมไม่ทำตามพุทธโอวาสละ่ะรู้จริงไหมแล้วถ้าเราหลงทางไม่พอเราพาคนอื่นหลงด้วยนีย่อันตรายมากเพราะกว่าจะเกิดเป็นชาติมนุษย์เนี่ยมันแสนลำบากนะมวันนี้คุยกับคนยายคนหนึ่งนะท่านอาพาธถือไม่เท่ามาเพราะูจำไม่ได้แล้ววันนี้หรือเมื่อวานนี้เนาะ มันไม่มีวันเวลาล่ะเขานั่งกินข้าวไปนั่งคุยคุณยายเป็นอะไรเขาบอกเพิ่งเป็นปีครึ่งมันเป็นอมาาัมพาตเป็นอะไรเลยนะแล้วหลานเขาก็บอกว่าคุณยายเป็นโรคซึมเศร้านะเพราะมันไม่เหมือนเก่าไงเพราะกูก็เลยคุยสนทนากับแกไม่ถึงสามคำคุณยายหัวเราะได้นะแ ห, หัวเลาะบอกต่อไประวังนะเพราะกูถ้าทําให้ตัวเองทุกข์นี่คนโง่นะ คุณยายลังเกียจไ น, น่น่ไอ้ร่างกายแบบนี้เอาไหมร่างกายคุณยายนี่เปลี่ยนกับเทวดาไหมเทวดามันรีบเปลี่ยนเลยนะเทวดามันไม่มีร่างมันทำไม่ได้มันทุกข์มากต้องเสพสุขนะตอนนี้ข้อสอนให้เราทำบุญไปขึ้นสวรรค์ไปอยู่เป็นเทวดาไม่จำเป็นอย่าไปนะอย่าไปเราเสียเวลาอยู่บนนั้นหลายรอบแล้วอย่าไปพอใช้ กรรมดีที่ตัวเองไปหลงติดเนี่ยนะหมดแล้วนี่ตกมาวันแรกแหกปากร้องอีกเทวดาร้องให้ทําไมเห็น ไ, ไหมเนี่ทําบุญไปขึ้นสวรรค์ไงสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัตินะโลกสมบัติยังอยู่ในสามโลกกระทายังอยู่ในวัฏฏะสงสารมันไม่จะทางพ้นทุกเทวดาก็ารอเกิดแทนเรานะบอกกุญยายสรีละร่างกายที่เหลืออยู่ถึงมันจะไม่สมบูรณ์ก็ช่าง คุณยายยังปฏิบัติวิปัสนาได้เอาไหมเขาบอกเปลี่ยนกับเทวดาไหมมันเปลี่ยนทันทีเลยนะแล้วมีร่างกายนี้อยู่มีหนึ่งวันก็ใช้เวลาหนึ่งวันบางทีสิบห้านาทีก็บรรลุทำได้นะมันไม่มีสูตรตายตัวนะได้จะไปทุกข์กับมันทำไมถ้ายองคุณยายแข็งแรงอยู่เหมือนเก่านี่ไม่มีทางมาศูนย์พรลานคอยหรอกฉันจะไปสิ่งหาเงินได้อยู่ เรื่องอะไรจะมาเนี่ยเห็นไมไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมไงมันเห็นทุกข์แล้วเนี่ยเป็นโอกาสดีแล้วเนี่ยคุณยายจะได้อยากทําก็ทําไม่ได้ไงขันห้ามันไม่ให้ทำนั่นแหละแต่จเจริญวิปัสนาได้เป็นบุญนะคนบุญเท่านั้นนะถึงจะเห็นทุกข์ทำให้เราไม่เห็นธรรมเพื่อนพ่อครูฝรั่งตอนนั้นมันเขาเป็นห่วงพ่อครูไง อยู่เมกาดีๆนี่เป็นบ้าหรือเปล่าจยุดชีวิตก็ไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์ไปอยู่ไหนก็ได้มาอยู่ในป่านี้นะมัก็ใส่พระครูแรงเหมือนกันนะทุกอะไรกันนักหนาเลยเขาก็ศึกษาพุทธศาสนานะเพราะเขาห่วงพระครูว่าเอ้มเป็นบ้าหรือเปล่านะเขาก็ศึกษาพอสมควรเขาก็เดินทางมาหาพราะครูคิดว่าจะเตือนสติพระครูคิดว่าพราะครูขาดสติไง เขบอกว่าพุทธศาสนาสอนไม่ให้ฆ่าสัตว์ใช่ไหมบอกใช่ทําไมหนังสือพิมพ์เมืองไทยฆ่าคนทุกวันมันแย้งเราเลยนะแล้วก็บอกว่าพุทธศาสนาไอ้ทุกข์อะไรกันนักหนาพูดแต่เรื่องทุกข์อะไรคือตัวทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์อะไรคือความดับทุกข์อะไรคือหนทางสู่ผนทุกข์ก็บอกอะไรทุกข์กันนักหนาก็บอกไปเที่ยวกันไปเขาก็เข้าใจตามที่เขาเข้าใจเขาบอกทำไมต้องทุกข์ไรมักนักหนาเนี่ย ก็ไปเที่ยวเงินก็หายทุกไงเพราะสมัยก่อนก็ ก, อ, ก, กอดคอกันเมานะบอกว่เราเปลี่ยนไปใช่ไหมเราเพี้ยนจากสายตาเขาล่ะพวกกูบอกคุณเข้าใจผิดาศาสนาพุทธไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายาศาสนาพุทธไม่ได้มองโลกในแง่ดีแต่าศาสนาพุทธมองโลกในแง่ความเป็นจริงถามเขาว่าเธอเห็นไหมเด็กคนไหนมันเกิดมันหัวเราะบังมาดีใจจังเลยฉันเกิดแล้วเนี่ย มันร้องไห้ทำไมบางทีหมอ ก, ก็บอกเออมันไม่ร้องก็ต้องตีให้มันร้องตีแล้วมันตื่นมันหัวลอกก็ได้ทำไมมันร้องไห้เกิดมาก็ทุกเนี่ยเรามีทุกเป็นประธานผู้เจ้าก็เน้นเรื่องนี้เรามีทุกเป็นประธานนะพระครูจึงบอกว่าวินาทีนั้นน่ะที่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยไม่ได้พูดเล่นลิ้นนะ พวกครูเลิกนับถือพระพุทธเจ้าทันทีพเพราะคำว่านับถือมันหยาบไปบูชาถวายชีวิตไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่กว่านี้พระองค์ไปรู้ได้ยังไงไปเห็นได้ยังไงเออเห็นเรื่องเวียนด้อยตายเกิดบาป บ, บนคุณโทษกฎแห่งกรรมเห็นได้ยังไงเห็นแล้วยิ่งใหญ่แล้วยังไม่พอนะยังรู้วิธีแก้ด้วยอันนี้คำว่าบูชายังน้อยไป แต่มันไม่มีภาษาอะไรที่มันจะยิ่งใหญ่กว่านี้ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นพ่อครกูก้าเหรอกล้าทิ้งชีวิตที่สีวิไลยสะดวกสบายสนุกสนานน่ะทิ้งทั้งหมดมาอยู่ในป่านี้มนไม่ใช่เรื่องทําเล่นนะชีวิตเรานะก็มันชัดเจนไงไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้เราอยากได้อะไรมากกว่านี้เหรอไม่มีนะ เอาเป็นว่าสรุปว่าพระพุทธเจ้ามีจริงส่วนจะชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถะหรือไม่ขี้เกียจทะเลาะ ก, กับเขาคนต่างศาสนาเขาบอกนิทานประลังประลาบอกสร้างขึ้นมาช่างมันแต่ดวงจิตดวงนั้นที่เรียกว่าพระพุทธเจ้านั้นมีจริงคําสอนพระองค์ทําให้เราพ้นทุกข์ได้จริงแค่นี้พอแล้วคําว่าศาสนาพุทธพระเจ้าตัดไว้เองอยู่ได้ประมาณห้าพันปี มันก็เป็นแค่องค์กรหนึ่งสมมุติสร้างขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนคำสอนพระองค์แต่เขาจะเปลี่ยนชื่ออะไรใหม่ก็ช่่งในห้าในอีกสองพันกว่าปีข้างหน้าเนะี่ยแต่คำสอนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศัจธรรมยังคงอยู่สาหรับพระกูแค่นี้พอละไม่ต้องไปนั่งเถียงกันหรอกนี่พูดแท้นั้นพูดเทียมพทธจริงๆนั่นไฟไหม้ก็ไม่ได้ พระไตรปิดกนี่ไฟไหม้น้ำท่วมก็หายไป้วยนะแต่พุทธจิตอยู่ในจิตของทุกดวงเนี่ยไฟเผาก็ไม่ตายชาติหน้ามันก็ตามเราไปอยู่ที่ว่าใครจะตั้งมั่นเข้าไปหาเขานั่นแหละพระไตรปิดกเล่นจริงๆอยู่ข้างในอย่า ก, กลัวเป็นศูนย์พันไม่ศูนย์ตราบใดที่มีคนอยู่ในมักในทางไม่ละเวน้นพระอรหันต์ บกว่า ย, ยุคนี้มีเหลอยุคนี้มีเหลออากาลิโกไม่จํากัดการเวลาหรือสถานที่มันไม่เกี่ยวกับเป็นยุคไหนยุคไหนมันไม่ใช่ศายศาสตร์มันเป็นความจริงตามธรรมชาติเห็นไหมความจริงนี้เนี่ยพิสูจน์อีกกี่ล้านปีมันก็มีเหมือนอาจารย์น้อยยกตัวอย่างดีมากว่าน้ํานี่ไปต้มที่แอฟริกาไปต้มที่อังกฤษไปต้มที่อิอนเดียถ้ามันถึงร้อย องศาปุ๊บมันเดือดเหมือนกันนั่นคือความจริงไงแต่ว่าอุ้ยเหม็นนะอุ้ยหอมนะอันนี้ไม่จริงเป็นอุปทานเห็นไหมเอาทุเรียนมาตั้งไว้ปุ๊บไอคนนี้หอมจังเลยวิ่งไปใส่ไอคนนี้วิ่งหนีเหม็นจังเลยเห็นไหมมันไม่ใช่ความจริงถ้าความจริงแล้วมันต้องเหมือนกันทุกวันนี้เป็นอุปทานหมดภาษานี้ก็อุปทานถูกก็อุปทานผิดก็อุปทานมันไม่ใช่ความจริง คดีความบางคดีคนไทยบอกผิดฝรั่งเขาบอกถูกบางคดีฝรั่งบอกถูกเราก็ผิดมันเป็นแค่สิ่งสมมุติมนุษย์สร้างขึ้นมาเป็นแค่อุปทานแต่ความจริงที่ผู้จ้าตัดสรูรนั่นอีกกี่ล้านปีก็พิสูจน์ได้เหมือนเก่ามันไม่หายไปไหนเราจะไปเรียนศาสนาเรียนฝึกจิตวิญญาณเป็นแบบตักกานะเอาสู่ตายตัวนะหลายคน โดยเฉพาะสังคมไทยเราเป็นประเทศเล็กๆนะถ้าพูดถึงเปอร์เซ็นต์ของนับถือศาสนาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่จำนวนนะเราใหญ่ที่สุดในโลกที่นับถือศาสนาพุทธแต่ประเทศเราเล็กประชากรเราน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าเราก็ถูกตีกรอบว่าวิธีปฏิบัติก็มีแค่นี้ พ่อคุยยกตัวอย่างนะแค่สี่สิบกรรมฐานที่พผู้ชายกตัวอย่างเนี่ยเรายังใช้ไม่หมดเลยมีแค่สามสี่อย่างถ้าไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่ใช่พุทธแล้วเราถูกเขาบอกแล้วว่าอย่างนี้เราถึงพลาดโอกาสไงแต่ถ้าเราเดินทางไปต่างประเทศไปอินเดียไปภูเขาหิมาลายัยไปทิเบตไปจีนไปญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นพุทธเรานี่หลากหลายมากของเราเหมือนบางทีเหมือนถูกคุมถุงชนเนหะมือนกบในกะลา ถูกใส่โปรแกรมมาถูกใส่อุปท า, านมาว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรเลยแบบไหนก็ได้วิธีไหนก็ได้ที่ทำให้เราพ้นทุกแต่วิธีนั้นต้องไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นแล้วของเราในวิธีไหนวิธีพ่อครูเป็นแบบไหนไม่มีวิธี เป็นเป็นานานาจิตตังทุกคนทำเองถ้ามันผิดก็ตัวเองทำผิดเองไม่ใช่พ่ครูสอนให้ผิดถ้ามันถูกตัวเองทำถูกเองไม่ใช่พ่ครูสอนให้ถูกพากครูไม่ได้สอนอะไรเลยมันไม่มีวิธีตายตัวจิตมันจะเลือกตามจริตที่เขาฝึกมาแล้วหลายชาติเขาจะมาเดินต่อสำคัญว่าเราต้องปลดปล่อยจิตปัจจุบันเนี่ยให้มันดูดออกออกจากแรงดึงดูดของอายตนะให้ได้เข้าไปสู่จิตในจิต แล้วจากนั้นน่ะอาจารย์เราจิตเดิมเราจะตื่นขึ้นจะมาถ่ายทอดวิชาที่เขาถนัดที่สุดให้กับเราถ้ามันมีวิธีปุ๊บมันจะมีคนทาถูกแล้วคนทำผิดมันนั้นมีมันนั้นเพราคกลัวจำไม่ได้มันเยอะมากนะมีญาติทรรมคนหนึ่งบอกว่าเคยไปฝึกที่ไหนเนี่ยพอเผลอปุ๊บมันหมุนนะครูบาอาจารย์ก็บอกผิดวิธีหยุด พระครูก็บอกว่าครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้ผิดนะครับท่านพูดถูกเลยเราทําผิดวิธีเขาเท่านั้นเองแต่เราไม่ได้ทําอะไรผิดแต่เราผิดวิธีเขาเราไม่รู้กาลาเทศเห็นไหมเขามีวิธีไหมมันก็เลยมีถูกมีผิดไงแต่พอเรามาเต้นอย่างงี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะของใครของมันสูตรใครสูตรมันเราไม่มีสูตรตายตัวนี่คือธรรมะแต่ถ้ามีสูตรตายตัวมันเป็นวิชา วิชาว่าด้วยการฝึกสมาธิว่าด้วยการฝึกสติแต่ถ้าจเจริญมรรคจิตเนี่ยไม่มีสูตรตายตัวมันต้องอิสระแต่ใครรู้ว่าตัวเองจะเลือกวิธีไหนจิตเดิมเราต้องรู้เราต้องปลดปล่อยให้อิจิสระเขาไปเรียนรู้กับจิตเดิมเรานั่นแหละเขาจะรู้ว่าเขาจะต่อยอดอยังไงเขาจบปริญญาโทวิศวะเขาต้องต่อเอกวิศวะไม่ใช่จับเขามาเรียนกอไก่แบบทุกวันนี้มันไม่ไปไหนหรอก ตายก่อนนะกระแสะกรรมก็ไล่บี้เราอยู่แล้วเราฝึกมาหลายๆชาติมันก็สูญเปล่าสิผู้เจ้าบอกกายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมไม่ใช่ไปนั่งดูจิตนะไม่ใช่ไปนั่งดูกายดูเวทนาอันนั้นเป็นแค่อุบายเบื้องต้นทําให้เรามีสมาธิมีสติรวบรวมพลังเพื่อจะเข้าไปสู่จิตในจิตถ้าเราไม่เข้าไปสู่จิตในจิตเราไม่สามารถเสพธรรมในธรรมได้ ทำในธรรมนั่นคือธรรมอารมณ์ที่บันทึกอยู่ในจิตใต้สำนึกเราในรูปกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละอาจจะละลึกชาติเป็นภาพนิมิตหรืออาจจะว่าละลึกอารมณ์ในอดีตไม่เห็นนิมิตก็ไม่เป็นไรแล้วตัวนั้นแหละจิตเดิมจะสั่งร่างกายให้ทำวันนี้ก็มีผู้ปฏิบัติถามผ่านปุ๊กมาถามปะกูว่าไม่ชีนี้ชื่ออะไร บุญเลี้ยงอ๋อดีเนาะมีบุญเลี้ยงเข้าใจตั้งชื่อเนาะเขาเหวี่ยงเขาก็ร้องแรงอยูว่ว่าบอกเขาร้องทําไมนะถามว่าเขาร้องทําไมบอกว่าอยากรู้ไปทําไมอยากรู้ก็ลองดูสิ <c oughs> อธิบายยังไงคุณก็ไม่เข้าใจหรอกนะคุณก็ล้องดูสิเห็นไหมแล้วคนที่ฝากถามนั่น ตอนนี้ติดอารมณ์กลัวเห็นก็เหมือนกันที่ครูอยู่กับกลัวถามว่าคุณกลัวทำไมคุณอธิบายได้ไหมคุณกลัวทำไมเหมือนกันที่คุณกลัวทำไมแล้วเขาลองทำไมนี่เหมือนกันมันเป็นธรรมอารมณ์เวี่ยงทิ้งอย่างเดียวไม่ใช่เวี่ยงอารมณ์นั้นทิ้งไม่ใช่ไม่ให้มันปล่อยออกแต่เวี่ยงความยึดมั่นถือมั่นทิ้งพอพอเราไม่สนใจมันมันก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งถ้าตอนนั้นกำตัวโตๆเนี่ยมันก็ใช้เวลานานหน่อยหนึ่ง ถ้ากรรมตัวเล็กๆบางทีชั่วโมงหนึ่งเนี่ยหลายชาติไอ้ที่กรรมมันนานแล้วเนี่ยมันเหลือนิดหนึ่งมันล้างได้เฉยแต่ไอ้กรรมที่หลักๆที่มันใหญ่อยู่เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะบางคนบอาทำไมไม่หมดสักทีหนึ่งถามว่าหมดแล้วมันจะมีของเล่นบ่หมดแล้วมันก็ต้องไปหาตัวอื่นเล่นมันก็เหมือนเก่าเด้แหละมันไม่หมดก็ช่างมันยิ่งชํานาญเห็นไหมยิ่งชำนาญกับมันอ่ะนะบางที อยากเข้าไปเมื่อไหร่จะเข้าไปได้เมื่อไหร่จะเข้าไปได้พอเข้าไปแล้วเมื่อไหร่จะออกมาได้เมื่อไหร่จะออกมาได้อู้อะไรก็ไม่รู้นี่แหละกิเลสเราแหละอยากเข้าไปมันไม่เข้าไปก็ถามอยู่นั้นเมื่อไหร่จะเข้าไปนะพอเข้าไปเบี่ยงมันเท่าไหร่มันก็ไม่ทิ้งจนเบื่อเมื่อไหร่มันจะออกมาได้เมื่อไหร่จะออกมาได้เนี่ย <monstr ous> คนเราเนี่ยร้อนนักก็มักอ้างว่า เย็นนักก็มักอ้างว่าเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนะอย่าไปลังเกียจกิเลสน้อบน้อมถ่อมตนเรียนรู้กับเขาอย่าบังอาจไปฆ่ากิเลสกิเลสมันคองโลกนะนะถ้าเราฆ่ากิเลสทิ้งมันในบาปนะถ้าเราทำลายกิเลสหมดจากโลกจักรวาล น, นี้พระอหรหันเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะพระอหรหันเกิดขึ้นเพราะมนุษย์เรามีกิเลสนะ กิเลสมันน่ารักมากัเป็นกลางๆแต่ถ้าเราไปหลงมันเมื่อไหร่มันตีหัวเราเรานอมน้อมถ่อมตนเรียนรู้กับเขาอย่าไปเอาอาหารให้กินอย่าให้มันหลอกมันมีหน้าที่หลอกเรานะอย่างซื่อสัตถ์กี่แสนล้านก็ล้มคดีไม่ได้ผิดปุ๊บตัดคอเลยเปาบุญจิ้นถือว่าซื่อสัตย์แล้วนะแต่ก่อนจะตัดคอใครต้องอธิบายก่อนว่าเธอทำผิดอะไรกิเลสไม่ต้องอธิบายตัดเลย เขาซื่อสัตย์มากเขาน่ารักมากเขาดำรงวัตตะสงสารเขาดำรงเรื่องบาปบุญคุณโทษดำรงเรื่องกฎแห่งกรรมเราต้องนอบน้อมถม่อมตนทำตัวเล็กๆนะเรียนรุกกับเขานะขอร้องกิเลสอย่าเล่นงานฉันเลยนะเออไปกับคนอื่นเถอะไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะนะอย่าบังอาไปฆ่ามันนะเดี๋ยวมันเอาเราคืนนะ ไอ้คำพูดว่าฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสพูดให้มันสะใจเฉยๆจริงๆแล้วเนี่ยกิเลสฆ่าไม่ตายเขาต้องดำลงอยู่เราตายแล้วหลายชาติกิเลสเขายังอยู่นะถ้าไม่มีกิเลสเป็นเรื่องใหญ่นะเรียนรู้กับเขาใช้สติปัญญาเนี่ยรู้เท่าทันเขาเมื่อเขาประเมินเราเสร็จปุ๊บเ้าหลอกเราไม่ได้ปุ๊บเขาบอกเธอผ่านขึ้นชั้น พอเราหลงระเริงพับหนึ่งเดี๋ยวมันก็แปลงร่างมาใหม่ต้องระดับเดียวกันนะเออมันแปลงร่างมาผู้เจ้าที่เขาฉายหนังเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าน้อยนะ่ The Buddha นะเด d ิเดนบูราน่ดีมากนะแสดงว่าคนนี้เนี่ยเข้าใจเรื่องจิตพอสมควรแต่ว่ า, าศาสนาบ้านเราไปต้านเขานวันที่ผู้เจ้าที่จัดสรุวานั่งนะทีนี้เขาก็แปลงร่างเป็น สาวๆ ส, สวยๆมาไล่ล้ำยัวย่วยวนเห็นถ้าจิตพระเจ้ายังมีเรื่องการมาาค้าอะไรหน่อยหนึ่งก็เสร็จทีนี้หลอกไม่ได้ไงจิตพระพุทธองค์ตั้งมั่นดังขุนเขานะมันก็ฟ้าผ่าฟ้าล้องแรงมากเลยก็เฉยทีนี้ตัวพ่อมาเองเลยนะพยามาณเห็ไหม โผล่ขึ้นมาเนี่ยแปลงร่างเป็นพรธเจ้าบอกเราก็คือท่านท่านก็คือเราผู้เจ้าไม่หลงเชื่อไงผู้เจ้าบอกเราไม่ใช่ท่านท่านไม่ใช่เราเรามาจากดินเราก็กลับไปสู่ดินพญามารก็ตายผู้เจ้าก็บรรลุตามเขาสะท้อนให้เห็น ถ, ถึงถึงอารมณ์เวลานั้นไม่ใช่มารมาแต่งร่างเป็นผู้หญิงอะไรนะอารมณ์ข้างในมันอารมณ์ข้างในเราเนี่ยนะที่เราเข้าไปในจิตในจิตนี่ย แล้วก็ไปเสพธรรมในธรรมธรรมารมนั้นแหละเขาจะมาสอบเราอย่างที่ร้องกี้กี้กอะไรเนี่ยกำลังจ่ายหนี้กรรมอยู่ mm. เห็นไหมร้องเหมือนคนขาดสติถ้าคนขาดสติก็วิ่งชนกันไปนหมดเลย mm. เห็นไหมทําไมไม่ชนละ่ะ mm. เขามีสติดีมากเป็นสติสัมโพชงเป็นสติตามธรรมชาติซึ่งอิสระมากไม่อยู่ภายใต้สมบูรณ์บญรยทธประเพณีวัฒนธรรมและมารยาร ถ้าเรามีมารยาถามว่ากล้าลองไหมอายไม่กล้ากลัวเขาว่าเรานั่นแหละก็กอดมันเอาอาหารไปสร้างมะเร็งเพราะจิตมันอิสระแล้วเขาเอาของไม่ดีออกนะแล้วถามว่าพวกกูบอกไม่รบกวนได้ยังไงมันหวกวขูชฉันไงเห็นไหม เบียดเบียนฉันไงฉันไม่สงบเลยเห็นไหมกิเลสเรามันหลอกอยูแ่แล้วเรามีหูเราก็ฟังเรามีสิทธิ์ไม่เอามาคิดไงที่เราคิดเราให้รบกวนนี่เราโง่อเองไม่ต้องไปโทษเขาหรอกเนี่ยเขาเป็นครูบาจาเราเนี่ยเขามาประเมินเราว่าเราทันไหมมันก็ทบหูถ้าเราทันมันก็ไม่กระเทือนใจก็สักแต่ว่าก็ทบจบเขาเป็นเครื่องมือในการดําเนินสติสัมโพชฌงของเราด้วย ชีวิตจริงเราเราทะเลาะกันเพราะอะไรเป็นเพราะเธอดา่าฉันอ่ะฉันจึงทุกข์เห็นไหมเราก็ไปโทษคนอื่นอยู่เรื่อยเขามีปากเขาก็ต้องดา่าเรามีหูต้องได้ยินแต่เรามีสิทธิ์ไม่เอามาคิดที่เราทุกข์เพราะเราเอามาคิดเราจึงทุกข์ไงไม่ต้องโทษใครนะถ้าจำเป็นต้องโทษนะกลับไปคืนสู่วันที่เราเกิดมาใหม่ๆนะนั่นละ่ะโทษตัวเองมาเกิดแล้วนั่นละ่ะเราผิดตั้งแต่เรามาเกิดละ แต่ไหนๆก็เกิดเป็นมนุษย์ผู้เสรศดแล้วเนี่ยก็เอาเอาประสบการณ์ที่เราพังเผอทําให้เรามาเกิดนั่นแหะมาต่อยอดใช้ไอ้ขันห้าตัวนี้เนี่ยอายตานห้าตหตัวนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือเดินทางของจิตนะถึงจะอาพาธแค่ไหนก็ช่างนี่เทวดาถ้าไปแลกเทวดาเขาจะเปลี่ยนเราเลยนะบางคนตอนนี้บอกมีเทพอยู่ในตัวมีเทวดาอะไรพวกนี้นะว่าเชิญเขาไปอยู่ที่อื่น เรื่องอะไรเขาใช้ร่างกายเราเนี่ยมาทําหน้าที่นะกว่าเราจะได้ล่างตรงนี้เนี่ยเรารอคิวกันไม่รู้กี่กี่มันนานต้องสร้างบา ร, รมีมาเยอะแล้วนะยังทุกวันนี้ไม่มีอะไรก็ไปรับขันแค่ขันห้าก็หนักแล้วไปรับขันหกขันเจนะ็ดเนาะไปอาศัยพึ่งพลังข้างนอกมาช่วยเราเนี่ยนะอันนี้อันนี้เราเราโง่ละ นะว่าเราจะได้ร่างกายที่เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐนี่มาเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเลี้ยงคิวมาตั้งนานแล้วนะเทวดาก็จ้องอยู่นะบอกโอ้เธอเดินไม่ได้แล้วเนี่เธออาพาธเนี่ย เ, ออเธอมาเป็นเทวดาเถอะฉันจะมาเป็นเธอเนี่ยเอาไหมนะอย่านะเหลือเวลาหนึ่งวันก็ยังมีคุณค่านะเราต้องภาคภูมิใจท่านในทางโลกภาคภูมิใจ ที่นี่เรามีร่างกายเนี่ยนะซึ่งมันสมบูรณ์ส่วนประกอบคือว่าเราจเจริญวิปัสสนาได้ถึงขาจะเดินไม่ได้ก็ช่างมันไม่เกี่ยวนะทุกอย่างจบอยู่ที่จิตถามว่าได้ยินเสียงไหมอเออาได้ยินเสียงเอาเสียงมาทำนะเออถ้าหูหนวกเหรอบางคนถามว่าหูหนวกทำยังไงไหมเห็นหตอนนี้เร็วๆนี้มีพวกมีพวกคนที่เขาตาบอดที่มันเขาก็ทำได้ เขาบอกว่าโอ้โหเขาบุญเยอะเลยใช่ไหมตาบอดก็ทําได้เนื้กระถังหูหนวกก็ทําได้นะไม่ต้องเอาเสียงอย่างเดียวเอาอย่างอื่นก็ได้อายตนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสได้หมดมากระทบอารมณ์ที่ใจเนี่ยได้หมดทําไมพ ก, กูเลือกเสียงเพราะเสียงนี่ผู้ปฏิบัติไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาเลยแล้วเสียงมันเล่งสติได้ มันเล่งสติหมุนกลงล้อของธรรมจักได้ลมหายใจได้ไหมลมหายใจนี้คือกลิ่นส่วนจะ ต, ตั้งชื่อพุทโธธรรมโมสังโฆอะไรก็ตั้งไปมันเป็นชื่อสมมุติเฉยๆในปัตตบิโตก็ไม่มีหรอกนะมันก็กลิ่นไงกระทบกลิ่นที่จมูกแล้วต้องไปรู้ที่ใจหลวงพ่องคงใช้กลิ่นมันก็เกิดอาการเบี่ยงขึ้นแต่มันเหนื่อย เราจะทำได้กี่กี่นาทีละ่ะเพราะครูก็ไม่เลือกเอายาอมมาอมนะเดี๋ยวคืนนี้เะไปนอนเป็นอมเนี่ยเอาลองดูมาลิ้มรสที่ลิ้นมารู้ที่ใจเดี๋ยวก็หมุนแต่มันเร่งสติไม่ได้ถ้าเร่งออกไอ้ยาอมลงคอไปเลยนะไม่เราต้องเข้าใจว่าที่มันเกิดแรงเบี่ยงเพราะอะไร เราจะไปตีขาตัวเองเนี่ยตีให้มันรู้สัมผัสส า, า น, นี้ก็ได้นะมาเจ็บที่ขามารู้ที่ใจก็หมุนแต่ถามว่าเราจะตีได้กี่นาทีเดี๋ยวเดี๋ยวบวมหมดเสียงนี่เราสร้างขึ้นมาให้ได้สิบปีแรกที่มาจากอเมริกาพราครูตีละครังเนี่ยใช้ละครั้งไม่รู้กี่สิบลูกพ่อครูตีไม่แตกหรอกแต่กองเชียร์ตีเมื่อไหร่เนี่ยทะลุหมดเพราะใช้ใจตีไงแตกหมด แล้วตอนนั้นมันสิบปีไม่มีไฟฟ้าไงหลังจากมีไฟฟ้าแล้วทีนี้ไม่ต้องตีเสียงอะไรก็ได้นะสังเกตถ้าคนที่เข่งศีล น, นะศีลแปดฟังเพลงได้ยังไงนะแต่นี้ก็สงสัยอีกเราไม่ได้ฟังเพลงเราฟังเสียงเห็นไหมเพลงที่เราฟังไม่รู้เรื่องขนาดไม่รู้เรื่องนะบางคน ย, งยังแอบสวดมนต์ตามไปอีก จะแม่คนอิ่มเนาะเพราะจิตเดิมมันสวดเป็นมาแล้วไงเนี่ยไม่ใช่จิตปัจจุบันเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเนี่ยเราต้องการให้จิตมันเข้าไปสู่อารมณ์ข้างในเราฟังเสียงและเสียงนี้เห็นไหมมีจังหวะช้าๆแล้วก็เดี๋ยวกลางคืนเนี่ยแรงๆเมื่อเรากระทบแรงนี่เหมือนเราเฟี้ยงฟุตบอลเข้าไปข้างฝาเนี่ยมันจะสะท้อนมาแรงเมื่อมันสะท้อนมาแรงหัวใจเต้นแรงเหมือนกันเนี่ยเพราะหัวใจเนี่ย ใจเราเนี่ยมันหวงจิตมากมันกลัวจิตจะทิ้งมันคําว่าจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมมันไม่ได้หนีไปไหนคําว่าหลุดโลกก็ไปหนีจากโลกมันก็อยู่กับโลกนี่แหละแต่ว่ามันหลุดพ้นออกจากความเป็นธาตุของอายตนะโดยเฉพาะใจนะมันก็เต้นแรงเหมือนกันเพราะเราเฟี้ยงเร็วพลังเสียงมันกระทบเร็วมันก็เร็วเหมือนกันมันดึงไปดึงกันมามันก็เกิดแรงเหบี่ยงขึ้นนี่ลมพานเกิดขึ้นแล้วนี่คืออาณาปานะ สติไม่ใช่ลมหายใจเข้าออกนั่นคืออาณาต้องพัฒนาอาณากลายเป็นปานะเป็นปราณขึ้นมานเครื่องยนต์ติดแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็มีพลังเดินทางไม่ใช่ท่องโลกนะไม่ใช่ท่องจักรวาล น, นะท่องภพชาติเลยเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่เอาเาท่องภพชาต์เนาะจรวดใช้พลังอะไรก็ไม่ได้ กว่าจะไปถึงดาวอังคารถึงพระจันทร์บางทีก็ล่วงแล้วชาตินี้มนุษย์เราเนี่ยคงไม่มีพลังอะไรที่ว่าไปถึงดวงอาทิตย์ได้เนาะตายก่อนคนเราร้อยปีเองเนี่ยแสงแต่ละแสงมาจากดวงอาทิตย์ที่เป็นหมื่นกว่าปีแต่วิชาพุทธเจ้านี่สามารถทําให้เราไปท่องพบชาติได้ด้วยใช่ไหมวิทยาศาสตร์เราไปไม่ถึงหรอกนะอันนี้ก็ พูดฟังเฉยๆอย่าไปเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อเนาะก็อยากเชื่ออยากอยากไม่เชื่อต้องปฏิบัติดูทำตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์ลองทดลองด้วยตัวเราเองนะผู้เจ้าก็บอกแล้วว่านอกจากพพุทธองค์จากไปแล้วเนี่ยพึ่งพระธรรมพระธรรมในที่นี้เนี่ย เราไปเข้าใจว่าเป็นภาษาที่พระองค์เป็่งออกมาอย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยภาษานั้นพูดถึงเรื่องพระธรรมภาษาพูดถึงเรื่องพระธรรมไม่ใช่ตัวภาษานั้นเป็นพระธรรมพระธรรมคือสิ่งที่ถูกเห็นไม่ใช่คำสอนอย่างเดียวนะพระธรรมคือสิ่งที่ถูกเห็นพระสงฆ์นี่คือผู้เห็นธรรมตามมาพระพุทธเจ้าคือผู้เห็นธรมมาก่อน พระพุทธพระภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้สแสวงธรรมตามมายังไม่เห็นธรรมพระธรรมในพระรัตนตไตยคือสิ่งที่ถูกเห็นมีอยู่แล้วตามธรรมชาติผู้ผู้เจ้าไปตัดสรู้มาก็สิ่งรู้เห็นเนี่ยมาบอกกล่าวที่เป็นภาษาเท่าที่บอกได้แต่สิ่งนั้นแก่นธรรมจริงๆแล้วเนี่ย ต้องปฏิบัติเองรู้ได้เฉพาะตัวอธิบายด้วยภาษาไม่ได้พรนะพุทธเจ้าก็บอกว่านอกจากเอาพระธรรมของพระองค์เนี่ยเป็นสารณะแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องเอาตัวเองเนี่ยเป็นสารณะต้องพึ่งตนเองคืออัตตหิอัตโนนาโตอนนี้เราไม่ชอบพึ่งตนเองเราไปรอเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าอย่างนี้มันไม่ใช่ความจริงมันเป็นแค่ความเห็น เราต้องทําความเห็นที่เขาบอกเราเนี่ยแะอย่าเพิ่งเชื่อเราต้องพิสูจน์ให้มันเป็นความจริงแล้วตอนนั้นค่อยเอามาพูดตอนนี้มิได้ไปจํามาแล้วก็มาพูดมาทะเลาะ ก, กันมันเป็นแค่ความเห็นนะก็ถ้าพระครูไม่หยุดเดี๋ยวมันก็ไม่หยุดนะก็หยุดดีกว่าจะได้มีเวลาปฏิบัติสักครึ่งชั่วโมงนะก็สุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณภาษีรัตนาใย